อาสวัสดีครับอาจารย์พรทุกท่านที่สนใจในธรรมทั้งหลายทุกคนจงสบายนียังหายใจได้อายใจได้ก็ถือว่าสบายดีอายใจไม่ได้เมื่อไหถือว่าเป็นปัญหาละถ้าหาใจได้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเลย อ่าคุณเป็นก่อนเลยเชิญคุณเป็นอ่ยังไม่ได้ต่อเสียงใครต่อเสียงได้หรือยังคุณเป็นต่อเสียงได้อลยเชิญคุณเป็นก่อนคุณเป็นอยู่ที่ไหนอยู่อุดรเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยเข้ามาเรือยังเคยเข้ามาครั้งสองครั้งแต่ว่าก็ฟังข้างนอกเจ้าค่ะเวลาไม่มีคําถามก็จะฟังอยู่ข้างนอกเจ้าค่ะวันนี้มีคําถามเลย วันวันนี้มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากจะรบกวนถามเจ้าค่ะใช่ได้ถามได้เลยคำถามแรกเจ้าค่ะคือปฏิบัติไปแล้วเกิดความพอแท้เบื่อหน่เราเราจะมีวิธีการบอกใจยังไงเจ้าค่ะพรอาจารย์คืออย่างเช่นบางทีแต่ก็ตื่นเหมือนเดิมเจ้าค่ะแต่บางทีก็ไม่มั่นใจว่าเออเราทําถูกไหมเราทําไปแล้วจะถึงเป้าหมายจะเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์พูดไหมอย่างนี้เจ้าค่ะ บางทีเกิดความรู้สึกนี้ทำยังไงดีเจ้าคะ่ะบอกตัวว่านี่มันเป็นความรู้สึกชั่วคราวซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เวลาที่เราปฏิบัติแล้วสับสนหรือไม่ได้ผลนั้นก็ขอให้รู้ว่าอย่าไปเชื่ออารมณ์เหล่านี้เพียงว่าเดียวมันก็ผ่านไปนั้นสิ่งที่เราควรจะทำถ้าทำได้ก็คือ ันที่อยากมาฝึกสติให้มาก ท, าพท่พุโทโธพุทโธอย่าให้ใจคิดเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งคิดมันก็ยิ่งท้อใหญ่หยุดความคิดให้ได้ต้องพุโทโธพุธโทโธไปสวดมนไปแล้วเดี๋ยวพอใจระงับจากความคิดลูกแต่งเหล่านี้ความรู้สึกท้อแท้มันก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นวิธีที่อาจจะ อยากถ้าเราไม่สามารถที่จะเจริญสติได้ถ้าเราเจริญได้พอเราทําใจให้หยุดคิดปรุงแต่งได้อารมณ์ที่รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะหายไปอีกวิธีหนึ่งก็คือก็ต้องพยายามศึกษาเรื่องราวของพระรยาสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาก็พยายามอ่านหนังสือธรรมะ ประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือือวิธีการปฏิบัติของท่านต่างๆความคำสอนของท่านอานคำสอนของท่านมันก็อาจจะทำให้เราเกิดมีกำลังใจขึ้นมาได้แต่อย่าไปปล่อยให้ตัวเราคิดว่าเราความคิดของเราเป็นความคิดของกิเล ที่จะพยายามที่จะล้มไม่ให้เราได้ปฏิบัติต่องั้นก็มีสองทางเลือกนี้ทางหนึ่งก็อใช้ทั้งสองทางพยายามหลุดความคิดเหล่านี้ให้ได้แล้วก็พยายามศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของบูบ า, าจารย์ต่างๆแล้วศึกษาประวัติวิธีการปฏิบัติของท่าน มันก็ร้องรูุ้กขาดเหมือนเราแต่ถ้าไม่ถอยมันก็พยายามสู้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะช่วยบรรเทาความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายได้ไม่ทราบพอที่จะทําได้ไหมพอได้เจ้าค่ะเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาเจ้าค่ะเบื้องต้นพยายามหยุดมันหยุดความคิดท้อแท้เบื่อหน่ายนี้พยายามใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธ ทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไป ย, ยืนยืนนั่งนอนทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดอยากไหวให้มันคิดถึงเรื่องที่ท้อแท้เบื่ อ, อเบื่อน่ายพยายามหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวพอมันหยุดความรู้สึกดักอกหนักใจท้อแท้เบื่อนานมันก็จะหายไปเจ้าค่ะพอดีโยมยังทำงานทางโลกอยู่เจ้าค่ะพอดีวันนั้นได้ฟังอของ พระอาจารย์บอกว่าเป็นอ่าถ้าเราทํางานทางโลกเรากําหนดสติไปมันเป็นมิจฉาสติห่ือเจ้าคะ่ะสมมุติโยมแบบตัดกระดาษหรือว่าทําสื่อการสอนเด็กนี้เจ้าค่ะคือมันไม่ได้หยุดความคิดเน<อ>ี่ยเรายังทํางานอยู่แล้วก็ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเป็นความคิดของเกี่ยวกับการงานมันก็ไม่เป็นผิดเป็นไปถ้าเราไปคิดทาำกิเลสที่ทําให้เราท้อแท้ด้ยหนายตอนนั้นเราต้องหยุดมันให้ได้ ถ, ถึงแม้เราจะฟังเทศไปด้วยอย่างนี้ก็ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการฝึกสติที่ดีนะักใช่ไหมเจ้าค่ะเรื่องควาเทศมันก็เป็นสติระดับหนึ่งแต่มันหยุดความคิดเราไม่ได้มันมันเบี่ยงเบ น, เ น, เ น, เ น, เนความคิดของเราได้อยู่เวลาเราคิดท้อแทบเบื่หน่ายเราฟังเทศเราก็ลืมความคิดท้อแทบเบื่หน่ายได้ชั่วคราวแต่พอเราหยุดควาเดี้มันก็กลับไปคิดแบบเดิมอีกได้ เจ้าค่ะแต่ถ้าเราใช้พุโทโธได้ใช้ส่วนมนได้แล้วก็คุมมันได้ง่ายกว่าถ้าพอมันหยุดแล้วเราก็หยุดส่วนหยุดพุโทโธแล้วพอมันกลับมาคิดอีกเราก็หยุดมันอีกถ้าจะฟังเทศก็ต้องอาศัยฟังเทศอยู่เรื่อยๆเวลาจิตเริ่มคิดไม่ดีขึ้นมาเจ้าค่ะคราวนี้สองทางแล้วแต่เราจะเลือกใช้เนาะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ คราวนี้เอ่อโยมนั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกแต่ว่าบางทีความรู้สึกจะไปจับที่ขาที่หลังหรือว่า อ, า ว, อาวัยวะข้างในอย่างนี้ถูกถู ก, ถกหรือผิดยังไงเ<ม>จะ<อ>ขาต้องอยู่กับที่ลมอย่างเดียวอยู่จุดเดียว<อ>ยุดที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกดูที่ปลายจมู ก, มมออ ก, มกหรือถ้าจะ ย, ยือ้อยุบเนอพองเนอก็ดูที่หน้าท้องแต่เลือกเอาจุดได้จุดหนึ่งอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เจ้าค่ะแล้วเราจะมีวิธีการพิจารณาร่างกายยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เราพิจารณาตอนไหนเจ้าค่ะอันนั้นตอนที่เราได้สมาธิก่อนตอนนี้ยังไม่ต้องกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาพยายามหยุดความคิดดีกว่าเพราะเราควบคุมความคิดไม่ได้หัดหยุดความคิดให้ได้ก่อนหันั่งสมาธิทําจิตให้สงบให้ใจสบายก่อน หลังจากนั้นถ้าเราก็ปวูกความคิดได้เวลาเราออกจากความสงบมาเราก็สอนใจให้ให้รู้เรื่องของร่างกายของเราว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเดีย๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นของเราเดีย๋ยววันหนึ่งก็ต้องมีการพัาดทาจากกันอันนี้คิดได้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมา ถ้ายังไม่มีสมาธิอย่าไปคิดมันคิดไม่ได้หรคิดแต่เดียวมันยิ่งฟุ้งซ่านไ ง, ย, งยิ่งมีอาการปวดฟุง้งไงเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้ได้ก่อนควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ทําจิตให้สงบให้มีความสบายใจก่อนแล้วก็มาคิดทางปัญญาในภายหลังน้ำใจออกจากสมาธิมาแล้วเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนะตอนนี้พยายามพูดโทพุดโธอย่างเดียวนะ ไอยควบคุมความคิดต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้าต้องทําอะไรก็ให้สติของงานที่เราทําไปถ้าถ้าไม่ใช้ความคิดก็ให้มันพุโทโธพุโทโธถ้ามันจะไปคิดเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไร้สาระหรืเรื่องที่ะะทําให้ใจเราเศร้าหมองก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธคอยอยูเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเปนตอนนี้ฝึกสติให้มากๆก่อนนะ อาที่ย์เราไม่น้อยเรายังคุมความคิดไม่ได้หยดความคิดไม่ได้เจ้าค่ะโอเคเนี่ยเราทําดูทําได้อาทิตย์อาทิตย์นี้จะได้ผลมาถ้าถ้าตั้งใจทำจริงเจ้าค่ะจะตั้งใจทําตามที่พระอาจารย์แนะนําเจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวโยมขออนุญาตไปฟังข้างนอกนะเจ้าค่ะได้อยู่ที่อุดรใช่ไหมมาจากอุดรนะมาจากอุดรเจ้าค่ะโอเค โอเคเน้นท่านต่อไปก็มาจากอุดรนเหมือนกันคุณแนนคุณแนนการนมัตสการใช่ค่ะมีคําถามไหมไม่มีคําถามค่ะโอเคเน้นต่อไปเรื่อยๆนะค่ะสาธุคือ<ะ>เวลาศิริหายหน้าไปอาทิตย์สองอาทิตย์หนะน้าเยอมันการนอมัตสการค่ะท่านพู้อาจานยก หายไปสามสี่อาทิตย์เลยละคะ่ะเพราะว่าทางนี้เขาให้กลับไปทำงานที่ที่ทางานแล้วคะ่ะเลยกลับมาไม่ทันคะ่ะแต่ถ้าวันไหนทันก็จะฟังอยู่ข้างนอกคะ่ะอันนี้เขาคุมเราไ ด, ได้ได้เรียบร้อยแล้วนะค่ะได้ฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วคะเข็มสองแทบจะแทบจะทุกคกันหมดนะแล้วอะคะ่ะการระบาดการลยบปารระบาดนะแล้วะคะ่ะ ช่วงดงไทยก็ไม่ได้ดวงไทยระ บ, บาดระ บ, บาดเอาระ บ, บาดะลอกใหม่เลยค่ะแรงมากน่ากล<ม>ัวค่ะก<ม>็มีอะไรไหมวันนี้ช่วงที่ผ่านมายมได้มีโอกาสได้ปฏิบัติแบบเข้มข้นหนักหน่วงวันคือยมทำงานไปด้วยแล้วก็ได้นั่งภาวนาด้วยเวลาห้าหกชั่วโมงหกอาทิตย์ติดต่ อ, อกันมันได้ผลดีมากเลยค่ะคือผู้รู้ชัดเจนเด่นชัด ไปไหนมันก็จะอยู่กับรู้ตลอดปัญหาคือมันไม่อยากจะออกไปสังคมอะไรกับคนอื่นเลยอะค่ะมันอยากจะรู้อย่างเดียวเลยค่ะรู้อยู่เป็นที่รู้ผู้รู้ของเราอะค่ะต่อไปมันก็ไม่รู้จะไปทํางานไปอยู่กับคนหรือไมวุ่นวายมันมันแย่ตรงที่เราต้องกลับไปสังคมที่ทํางานแล้วแต่ว่าบางทีประชุมอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับชัดดาวตัวเองเลยค่ะท่านพอาจารย์คือมันมันไม่ค่อยสนเสียงข้างนอกแล้วมันจะอยู่กับผู้รู้ในตัวค่ะอืม แระวังอย่าว่าถามคําถามจะตอบก็ไม่ได้ใช่ค่ะหนูมันก็เพ้อเพอเหมือนกันแล้วพอมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเข็นมันออกพิจารณาอะไรลําบากมากเลยค่ะเหมือนเหมือนมันขี้เกียจนะคะมันอยู่ตรงนี้มันสบายอะไรอย่างนี้ค่ะปัญหาตอนนี้ก็ก็เนี่ยค่ะมันไม่ยอมพิจารณาค่ะท่านพระอาจารย์ก็ถ้ายังไม่มีการจําเป็นต้องพิจารณาก็ ให้มันอย่างนี้ไปก่อนทั้งภาพก็ได้ให้มันสบายให้มันมีความสุขแล้วต่อไปเดี๋ยวมันมันเบื่อมันอยากจะได้ความสุขความขึ้งกนสอนมันว่าต้องเป็นต้องได้จากปัญญาแล้วมันก็จะมีกำลังใจที่อยากจะออกไปพิจารณาทางปัญญาใหม่ๆมันยังรักของใหม่มันมันก็เลยไม่อยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้มันดูเดิมกับความสงบไป เดี๋ยวมันก็จะหยิบตั ว, เ, วเดี๋ยวมันจะหยิบตัวแล้วมันอยากจะอยากจะสุขมากแบบนี้ก็ต้องไปทางปัญญาเดี๋ยวพอมันเห็นเรื่องเวลาเอาเวลาต้องไปเกี่ยวข้องกับคนแล้วจิตไม่สงบจริงๆตอนนั้นต้องอาจใช้ปัญญาสอนใจสอนได้นับสภาพกับเหตุการณ์หงๆว่าเป็นอ น, นตัตตาอันนี้จะเปลี่ยนแปลงอ น, นตัตตาควบคุมบังคับมันไม่ได้ะ ควบคุมเสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องด้ไม่ได้บุคคลเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่เราทําได้ก็ให้ลุ่ยเฉยๆไปอย่าไปเปลี่ยนเขาอยากไปปรับเขาอย่าก็อย่าให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราอันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาได้ใช่ไหมเราถ้ต้องไปทํางานนี่อย่าไปติดกับผู้ว่าต้องปรับตัวเองแล้วว่าตอนนี้เรามีสภาพแวดล้อมแบบนนหนึ่งที่เราควบคุมบัคับไม่ได้ แต่เราไม่ต้องไปปรับเขาอย่าไปอยากให้เขาหายไปหรืออะไรไปล่อยเขาเป็นไปตามสภาพของเขาแล้วปรับใจให้รับกับสภาพของเขาไป <C. S 1> อย่าไปติดกับความสงบถ้าติดกับความสง บ, บมันก็จะทุกข์เมื่อต้องออกมารับรู้เรื่องราวต่งตง <C. S 1> างๆจะใช้สตสิตรับรู้ไปรับรู้ไปแล้วก็อย่าไป อย่าพยายามอย่าไปปรับไปเปลี่ยนเขาไปกับเขาอย่าไปมีปัญหากับใครง่ายง่ายอย่าไปมีเรื่องกับใครใครจะทําทอะไรก็เรื่องของเขาใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถ้าเราปรับไม่ได้ก็ก็ปรับถ้าปรับไม่ได้ก็ปล่อยถ้าเราจะไม่ชุกกับ การที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนกับเหตุการณ์ตา่างๆจะน่าว่าเป็นอนาตตาหรือดินฟ้าอากาศฝนตกแดนออกหิมะลงมันเป็นสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้แล้วก็หัดอยู่กับมันไปปรับใจให้รับกับมันไปอยู่กับมันไปถ้า แ, แค่ชั่วกลาวไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยว่ากลับบ้านมาแล้วจะเข้านก็กลับเข้าบ้านีนี่ก็เข้าไปหาความสงบให้เต็ ให้ให้เต็มที่เลยอย่างนี้มันก็จะไม่ทุกไม่วุ่นวายไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในใเวลาข้างนอกก็ต้องรับกับเหตุการณ์วันมันตอนนี้เราอยู่ข้างนอกเหตุการณ์ต่างๆเราก็ต้องรับรู้แล้วก็ปฏิบัติกับมันให้มันสอดคล้องไม่ให้มันมีปัญหากันแล้วอีกอย่างก็คือ เวลาได้ทําต่อเนื่องนานๆอย่างนี้นะคะจิตมันก็จะยิ่งละเอียดเรายมรู้สึกถึงกําลังมากมายเลยค่ะท่านอาจารย์มันออกลอกตัวเลยไม่รู้จะทํายังไงกับมันดีค่ะใช้ก็ไม่เป็นค่ะก็กลับมาที่รู้ว่าเราอยากไปตามมันค่ะกำลังที่ผู้รู้ให้รู้เฉยๆมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันปล่อยมันไปมันทำไปทําอะไรกับมันพราะเราก็คุมบังคับมันไม่ได้ ความค้ได้ก็เฉพาะถ้าเราเด้งกลับมาที่ผู้รู้ไม่ทำไปตามมันเดี๋ยวมันก็หมดไปเองยิ่งไปตามมันไปปรับไปควบคุมมาค้ำมันเดี๋ยวมันยิ่งไปกันใหญ่ปล่อยมันไปมันเป็นเป็นเรื่องของภาวะของจิตที่มันจะแสดงอาการอะไรต่างๆก็ปล่อยมันแสดงไปพิจารณาเป็นตายรักไป หมดคำถามค่ะเริ่มมาเจ้ากันโอเคนะอันนี้วันนี้ไม่ต้องไปทำงานเลยวันนี้วันนี้ขอพิเศษค่ะเพราะว่าเขาให้สลับกันไปองี้ยก็ขอเพื่อนบอกว่าขอสักวันหนึ่งถออวันพุธขอ oh. ขอทำจากบ้านอะไรเง้ยค่ะเขาก็โอเคค่ะแล้วก็สลับกันค่ะโอเคดีกเด็กนะพอจะเข้าใจเนะต้องปรับด้วยเราอยู่กับความสงบไมนะ่ได้ตลอดเวลาในเวลาออกจาก ความสงบ ก, ก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาให้มันอย่าไปมีปัญหากับใครรับกับเหตุการณ์ไปโอเคเดี๋ยวไปที่ท่านตอบไปนะคุณนนทพัฒน์เชิญยากุงเทพช่ไคุ ณ, ณ, ณดันพัฒน์ก็ขากรรตร์ก็าดพระการค่ะก็ จาะอาทิตย์ที่แล้วที่ได้เรียนปรึกษาพระอาจารย์ว่ามีความขัดเคืองระหว่างการอยากปฏิบัติแล้วก็ที่ต้องทํางานเยอะจนเลยเวลาหรือว่าเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับเรียนพระอาจารย์นิดนึงเขาว่าพอไ ป, ปพอหลังจากที่ได้ได้ปรึกษาพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้อยู่ให้อยู่ในทางโลกไปให้ยอมรับกับมันใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ลูกก็คือใช้วิธีการคือเจริญอทธิบาตสีคือให้มีความพอใจในการทำงานทำงานอย่างมีสติมีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้งานเราไม่ผิดพลาดนะคะผาจา์แล้วก็ให้มีความพอใจว่าการทำงานณนะปัจจุบันก็คือเรายังมีสติอยู่เรายังได้ปฏิบัติอยู่แต่พอมีเวลาว่างก็เหมือนกับที่ะอาจา์บอกเจ้าค่ะผาจานถ้าเวมีเวลาพักระหว่างการทางานก็ไป กตบางทีเหนื่อยมากก็นอนสวดมนต์อย่างเงี้ยเจา้าขาพระอาจารย์หรือบางทีก็เดินผักเดินจงกรมบ้างอย่างเงี้ยเจา้าขาพระอาจารย์เพราะว่ามันเบวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็จเจริญสติไปแล้วก็เวลาที่หลังจากเสร็จงานตอนกลางคืนก็มานั่งเข้าสมาธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวด้วยเหมือนกันเจา้าขาพระอาจารย์แล้วก็สวดมนต์ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์มันก็มีความสุขมากขึ้นนะเจา้าขาพระอาจารย์อันนี้คือ น, น่าจะถูกแล้วใช่ไหมเจา้าขาใชา่ เวลาเราทาอะไรก็ทาไปตามหน้าที่ของเราเวลาไม่มีเราก็มาพักจิตของเราด้วยการเจริญสติหยุดความคิดรับพอใจเจ้าค่ะเ พ, เ, พเพราะเพราะเพราะว่าเอ่อเหมือนที่กับเรียนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าตอนแรกมันมีความขัดเคืองเพราะเราอยากปฏิบัติแล้วไม่อยากทำงานแต่พอเรามีความพอใจทั้ง นักขณะที่ทํางานกับนักขณะที่ปฏิบัติมันก็คือเหมือนใช้อิทธิบาทสีทั้งสองจุดอย่างเงี้ยมันมันคือมันคื อ, คอเป็นเป็นวิธีที่ถูกแล้วใช่ไหมเจ้ า, า, าค่ะอาจารย์คือมันจะได้ไม่ทําให้เราทุกข์นี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนก็คือทุกข์นิดหนึ่งเจ้าค่ะที่บอกว่ะอาจารย์ว่ามันเัรว่าเราอยากทําในสิ่งที่เราอยากทําแต่ขณะนั้นเราก็ต้องทําอย่างอืงน่นนี้มันก็ทําให้เราทุกข์ได้ยังในขณะที่เราต้องทําอะไรก็อยากไปอยากทําอย่างนื่น ให้ทำในสิ่งที่เราต้องทําให้เต็มที่ไปเพราะว่าสังเกตสังเกตจากที่พระอาจารย์บอกว่าให้ดูผลก็คือมีความสุขมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่เพราะคำขัดแย้งมันน้อยลงนะค่ะมันมันมันก็คืออ่าอย่างน้อยเราพระอาจารย์บอกว่าให้อย่างยังไงพ่อแม่ยังต้องพึ่งเราอยู่ก็อยู่ทางโลกไปลูกก็เลยเลือกที่จะให้มันมีความสุขทั้ ง, ท, งทั้งการดําเนิน ชีวิตในการทํางานแล้วก็ปฏิบัติทั้งสองอย่างอย่างเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่มันมีความสุขง่ายทุกทุกแขงทุกคนนะถ้าเรารู้จักทําใจแล้วให้อยอมรับกับสภาพที่เราต้องอยู่ต้องเป็นในขณะนั้นเจ้าค่ะแล้วก็ที่พระอาจารย์บอกว่าให้ลูกไปฝึกสมาธิมากขึ้นลูกลองแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีขึ้นเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้สวดมวนต์ก่อนแล้วค่อยมานั่งใช่ไหมเจ้าค่ะอืมแล้วแ ต, แต่แต่ตอนสวดมวนต์ลูกก็นั่งหลับตานะเจ้าค่ะแต่เป็นการจะ จดจ่ออยู่กับหมดวดตรวจมลอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์จากนั้นมันมันก็ทําให้เราอยู่กับพุทโธได้มากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ลูกก็ยังเป็นเด็กๆอยู่นะเจ้าค่ะคือก็ยังมีมีความหวังใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าลูกพุทโธไม่หยุดยั้ยงเนี่ยโอากาสเข้าอัปปนาสมาธิมันก็จะมีในวันหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าสติต่อเ น, นื่จิตไม่หลุดไปคิดอย่างอืน่นเดี๋ยวมันก็เข้าสู่าวามสงบได้ ค่ะถ้าถ้างั้นก็คือถึงแม้ว่าจะพูดโธพุดโธแล้วแวบไปบ้างหรือว่ามีมีหลุดไปบ้างก็ให้ย้ําว่าที่พระอาจารย์บอกว่าพุดโธให้ให้ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆไปไม่ต้องอหยุดใช่ทําไปเรื่อยๆและอย่าไปอยากให้มันสงบใช่ค่ะเพราะตอนแรกที่พระอาจารย์แนะนําให้ไปสมถาลูกคงอยากให้มันสงบอะ่ะเจ้าขามันทําให้เกิดเกิดเหมือนเหมือนอึดอัดเหมือนที่ลูกเคลียดอะ่ะเจ้าขา้าพระอาจารย์มันก็เลยไปไม่ได้ให้อยากให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่อง อยาก่างนี้อยากที่เหตุแล้วเดี๋ยวผลมันจะตามมาค่ะแล้ว อ, อยากที่ผลค่ะเพราะว่าลูกลูกก็เมื่อเมื่อเมื่อก่อนหน้าที่จะมาเข้าสูงกับพระอาจารย์ลูกก็ลองนั่งดูแล้วค่ะมันก็คือพุทโธพุดโธได้ต่อเนื่องแต่ลูกก็ปล่อยไปว่าเฮ้ยมีหน้าที่พุดโธก็พุดโธไปแวบไปบ้างก็กลับมาให้มีหน้าที่พุดโธเรื่อยๆเหมือนที่พระอาจารย์สอนไว้แค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวสักวันมันคงคงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปสนใจกับผลยิ่งไปเร่งผลแล้วมันจะไม่เกิด ต้งแหล่งเหตุคือสติพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วพระอาจารย์แล้วก็มีคําถามอีกหนึ่งข้อเจ้าค่ะเเพิ่มเติมนะเจ้าคะคืะคอที่พระอาจารย์เคยบอกว่าพระอนานคามีจระกามาฉันทะกับปฏิฆะแต่ยังมีความโกรธอยู่ปฏิฆะกับความโกรธมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเหลยเจ้าคะพระอาจารย์รูกมีความสงสัยเจ้าค<ะ>ือปฏิฆะนี่มันเป็นความโกรธเด็ดใจที่เกิดจากการไม่ได้เสกกาง เอ้ได้ความโกรธนี่มันเกิดได้จากเหตุสาเหตุอย่างไรอ๋อถ้าถ้าพระนาคามีคือปฏิฆาที่เขาบอกว่าลับปฏิฆาได้คือปฏิฆาที่เกิดจากการไม่ได้เสพกลามใช่ไหมจ๊ะค่ะอ่อเพราะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าความโกรธนี่ก็คือพระอรหันต์ถึงจะลับได้เหมือนที่พระอาจารย์เคยแจ้งนช่จ๊ะค่ะบ้างยังมีอารมณ์ที่อาจจะทําให้ไม่พอใจได้อืม เหมือนเคยได้ยินอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าถ้าแมลงเข้าหูต้องไม่หุดหงิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์อ่าต้องเฉลยทุกรณีต้อเป็นโอเบคาทุกกรณีเจ้าคะอาจารย์แล้วแล้วก็กลับเรียนถามพระอาจารย์ข้อสุดท้ายสําหรับของลูกนะเจ้าคะคือที่พระอาจารย์แนะนําว่าให้ไปปลีวิเวชใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ทีนี้มันมีวัดหนึ่งที่สมัยก่อนที่ลูกยังเด็กๆเมื่อยี่สิกว่าปีก่อนนะคะลูก ออกจากงานแล้วไปปฏิบัติแล้วล้มเหลวมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือไม่สบายกลับมาแล้วแล้วเหมือนกับล้มเหลวทางการปฏิบัติมาลูกควรกลับไปแก้ข้อข้อที่มันติด ข, ขัดตรงนั้นที่ตรงนั้นไหมหรือว่าเราไปทําที่อื่นให้พัฒนาไปเรื่อยๆที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องกลับไปที่นั้นไป ท, ที่มันสงบที่เราสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ใช้ที่นั่นได้อ๋อ ขอให้ถือความสงบเป็นหลักวิเวสกสงบหมายถึงสถานที่สงบสงัดไม่มีอะไรมาบรบกวนใจอ๋อเจ้าค่ะถ้าถ้างั้นก็ให้เลือกสถานที่ที่ทําให้วิเวกและมีความสงบเป็นหลักถูกไหมเจ้าค่ะาอาจารย์ไม่สามารถปฏิบัติทําได้เข้มวัวเต็มที่ไม่มีการรบกวนไม่ต้องคุกคีกับใครอยู่คนเดียว ปฏิบัติคนเดียวได้นีหรือถ้าต้องทํากิจจะทำเฉพาะร่วมงานเฉพาะเวลาเช่นรับประทานอาหารเรื่งองะไรวัดบางวัน น, น, นี้เขาไม่เน้นให้นงทําวัดวัดเชา้าเย็นด้สํา้ำไปเขาให้ปฏิบัติทั้ไปเลยแต่มารวมงานก็เฉพาะช่วงที่ต้องมารับประทานอาหารหรือช่วงที่ต้องมาช่วยกันดับความส า, ารบริเวณวัดเนั้นเอง ค่ะเพราะว่าอาวัดที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านเดิมของลูกท่านสร้างไว้เนี่ยค่ะจะมีจะมีกุฎกุฎหนึ่งที่เป็นกุฎที่อยู่ไกลผู้คนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วลูกอาจจะไปขออยู่กุฎนั้นแล้วก็แต่เขาก็ยังมีให้เขาไม่ได้บังคับให้ไปทําวัดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เราก็ไม่ไปก็ได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปไม่ไปได้ก็ดีเพราะลูกก็ไม่ถนัดทําวัดร่วมกับคนอื่นนะครับพระอาจารย์การทำวัดก็เป็นการปฏิบัติ แต่านันปฏิบัติแบบหลวมๆคือแบบยังต้องมีกลุ่มเกาะกลุ่มกันอยู่ปฏนะิบัติแบบเข้มคนนีงไม่ต้องเกาะกลุ่มนะใช้เดียวองัองแล้วต้องแยกวงไม่ใช่ไหอเจ้าขาวจะเลยจะพอกสาวพาะจาเลยเจ้าขาวเพราะลูกเป็นคนที่ ไม่ชอบไปสวดมนต์ร่วมกับคนอืเพราะอย่างที่ลูกสาวเรียนพระอาจารย์ว่าปกติลูกทำวัดเองเนี่ยเจ้าข่าลูกจะนั่งสวดมวลในใจแล้วมันจะลึกมากอ่ะเจ้าข่าพระอาจารย์มันจะชอบแบบนั้นมากกว่าพวกที่ต้องไปทําร่วมกันเพื่อที่จะไดไะะ้ไม่ถลยถลายไม่หลบถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวไม่ได้นั่งสมาธิไม่นะปฏิบัติเขาก็เลยบังคับให้มาปฏิบัติร่วมกันจะได้รู้ว่าไม่ได้ถลยถลาย ได้ค่ะเพราะว่าวัดวัดที่รู้จะไปอยู่ไปไปไปอยู่เวกค่ะท่านไม่บังคับค่ะท่านอาจารย์ ừ, ท่านท่านแล้วแต่เราเลยเหมือนเราอยู่มหาลัยเลยเจ้าค่ะใ ช, ใช่ระดับที่ปฏิบัติเองได้แล้วไม่ต้องมาบังคับเป็นพวกที่อยากจะปฏิบัติไอพวกที่มาเิันนี้พวกที่ยังไม่อยากปฏิบัติในต้องบังคับให้มาปฏิบัติใช้ใช้เหมือนอุปเหมือนอุปสง์หมู่ใช่ไหมเจ้าค่ะใ เหมือนเหมือนต้องมีเพื่อนเลยเ ห, เหมือนเรียนรามกับเรียนเรียนโงเรียนที่นักเข้าไปเข้าเรียนเหนที่เรียนเองได้ก็ไม่ต้องไปเข้าขเรี่เยนเก็ได้ออได้เจ้าค่ะอ๋อดีเลยเจ้าค่ะอาจารย์เพราะลูกคุณกาลังคุณกุ้มใจว่าลูกไม่ชอบไปทําวันสวดมนต์กับคนอื่นเพราะมันไม่ค่อยสงบไดมม้มันมันมีบุคคลมีอะไรที่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มือนอยู่คนเดียวมันไม่วิเวกไม่ง่างค่ะ ต้องหาที่วิเวสกสงบสงัดไม่มีอะไรต้องไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วจิตมันจะสงบง่ายกว่ากายวิเวกจิตวิเวกไปได้ยินคำนี้ไนหะเคยได้ยินเจ้าขา่าวไหะนนะกายวิเวกก็คือเดียวอยู่คนเดียววิเวกถ้ากายวิเวกจิตก็จะวิเวกตามถ้ากายไม่วิเวกจิตมันไม่วิเวกเพรามันจะต้องคำโภวถึงคนนั้นคนนี้อะไรนะตา่างๆค่ะ เพราะว่ากุดนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นกุดที่ไม่ค่อยมีใครอยากไปอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะมันไกลแล้วก็แต่แต่มันจะมีนิดนึงค่ะมันจะมีคนชาวบ้านเข้ามาตัดไม้ตัดอะไรแต่ลูกก็ว่าถ้าขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสและท่านอนุญาตลูกก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเขาจะลองดูอะไรเขาลองค่ะก็ก็ก็เดี๋ยวลองดูถ้าวัดเขารับคนกรุงเทพแล้วลูกจะลองพิจารณาดูเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าดีกบอยู่ไปเรื่อยๆถ้าไม่ดีก็เปลี่ยน ค่ะค่ะเจ้าค่ะแล้วก็สุดท้ายพัสดุที่ลูกส่งไปลูกไปเช็คแล้วเจ้าขาพระอาจารย์มีพระท่านรับแล้วชื่อพระฉันทะเจ้าขาพระอาจารย์ค่ะคือโดยที่ของมันมาไม่ถึงเราแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเราอนุญาตใครอยากจะได้ก็ให้มันไปเลยเราไม่อยากจะต้องมาเป็นกลางเจ้าค่ะลูกลูก็อธิษฐานเป็นสังฆทานอยู่แล้วเจ้า่าพระอาจารย์ค่ะแล้วค่ะ ค่ะต่อไปขออนุญาตขอโอกาสเป็นของคุณป้าที่เป็นที่เป็นเพื่อนที่ท่านดูเฟซบุ o กนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะท่านถามเรื่องสีแปดเจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อหกถึงข้อแปดเรื่องสีเสื้อผ้าเนี่ยจําเป็นที่แต่ท่านปฏิบัติอยู่บ้านนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จํ า, า, าจเป็นต้องเป็นสีขาวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือมีอะไรก็ใส่ไม่จำเป็นมีอะไรก็ใส่ได้ให้มันหลวมใส่ส แ, แล้วสบายแต่เราอยากเพื่อเสริมสวยความงามก็แล้วกัน ใส่สำหรับปกปิดร่างกายมไม่ต้องมากังวลว่า น, นี่จะใส่ชุดสีไหนดีนั่งอย่างนี้นดสีสบายสบายแชุดลำลองมัเก็เรียกใช่ไหมสบายสบายค่ะแล้วนาฬิกาใส่ได้ไหมเจ้าคะสร้อยพระกำไลหินอย่าใส่เลยดีกามันไม่จำเป็นครับภาวนาไม่น้องพึกของเหบานี้ นาฬิกานอกจากว่าต้องคอยดูนาฬิกาก็ใส่ได้ค่ะแต่สร้อยพลาสต์กับกำไลหินไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไมต้องค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ถ้าไม่ได้ใส่เพื่อความสวยงามถ้าใส่เพื่อเป็นการระลึกทุทานุสติเนี้อะไรช่วยให้เรามีความมั่นใจก็ใส่ได้ทางที่ดีเอาความมั่นใจที่เกิดจากการปฏิบัติจะดีกว่าก็คือไม่ใส่เลยอ่าไม่ต้องมีอะไรเลย ะจะได้ไม่นํามาวิตกกังวลไม่ต้องว่าไปคอยหามันคอยดูแลรงกษามันใา่ค่ะแล้วก็กินหลังเที่ยงท่านถามว่ากินน้ําเต้าหู้กับนมได้ไหมเจ้าคะแต่ลูกก็ว่าพระอาจารย์เคยบอกให้กินน้ําน้าเปล่าคือบางวันที่เขาไม่ถือว่าเป็นอ่าเป็นอาหารก็กินได้บางวันก็ถือว่าเป็นอาหารก็กินไม่ได้แั้นอยู่ที่ว่าเราเราขึ้นกับวันไหนท้ายไหน <laughs> เราอยากจะเลือกสายไหนสายกินได้ก็สายกินไม่ได้ก็เลือกลูกเลือกสายวาจาเจ้าค่ะกินแต่น้ำเจ้าค่ะสบายมากจะนั้ไม่ไม่ต้องกังวลกับมันเจ้าค่ะกินอาหารเมื่อเดียวมันก็พอเพียงกับร่างกายแล้วการกินเสริมนี่ส่วนใหญ่เป็นความเสริมกิเลสมากกว่าเสริมเสริมร่างกายเจ้าค่ะแล้วก็สุดท้ายคือข้อที่นอนที่นอนท่านคุณป้าท่านนอน ยางพาลานาสามนิ้วเพื่อไม่ให้ปวดหลังได้ไหมเจ้าค่ะหรือได้ไทําไม่ไม่ได้เป็นเพื่อความสุขสบายเพื่อการรักษาร่างกายได้เพื่อให้ไม่ให้ปวดหลังหรืออะไรเงี้ยที่มีโรคประจาตัวอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอได้โอเจ้าค่ะพอาจารย์สำหรับวันนี้ลูกกราบขอพระคุณเจ้าค่ะมีเท่านี้เจ้าค่ะพอาจารย์นะท่านเจ้าค่ะในที่ท่านต่อไปอาจารย์พรพิรายเป็นไงบ้างสบา สวัส่าสบายดีค่ะกาบพระจันทร์ค่ะค่ะวันนี้อยากจะถามพอดีสุดเนื่องจะเมื่อกี้มีบางท่านได้คุยไปแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับเ อ, อ่อปัญญาอยากจะเรียนถามว่าคือในความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับเวลาเราเราหักห้ามชำระตัวเราเองเราใช้ปัญญาเราอะไรจะโกรธคือเราก็พยายามคือไม่โกรธนะเรารู้แล้วว่านนี้ยมันน่าจะต้องโกรธ แต่เราก็ไม่โกรธอันนี้เราน่าที่จะต้องมีการโต้ตอบเราก็ไม่โต้ตอบมาเราก็จบไปแต่ในความรู้สึกนะมีความรู้สึกว่าเราฝึกฉิดยาชาเข้าไปในจิตของเราเองจนเดี๋ยวนี้ยเราสามารถทําได้อย่างอย่างนุ่มนวลอย่างเมียนมากเลยตลอดเวลาก็จะกลับเมนถามว่า น, นี่ก็คือสิ่งที่เราได้ได้ปฏิบัติตัวเราเองมานะได้นั่ง ปฏิบัติทำมาแล้วก็มี wisdom มีปัญญาในการที่เราจะทำในสิ่งนี้ได้แล้วก็มันก็มาต่อเนื่องตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าเราก็วสบายทำมีความร่มลื่นในจิตใจอะ่ะก็ถูกต้องก็ถูกต้อะอเราต้องการระงับการสร้างความทุกความวุ่นวายใจถ้าเราไปมีปัญหากับผู้อื่นมันก็ทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมาได้ถ้าเรา ไม่มีไปไม่ไปตอบโต้ไม่ไมต่อก่อนหรือถ้าพูดก็พูดกันเพื่อให้ความสมุบไม่ได้ให้เกิดปัญหาตามมาก็ก็ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราก็จะตามรู้อารมณ์ของเรา ใ, เนในทุกเ ร, เรื่องเ ร, เราไม่ใช้อารมณ์ค่ะเวลามีอารมณ์โกรธเราก็ร้องระงับมันอันนี้ไม่ควรที่จะไปตอบโต้เพาเรา อารมณ์เราไม่ไดีเราเฉยเนิ่งเฉยไปหรือถ้าจะพูดเาระพูดให้มีสติพูดด้วยความเมตตาเป็นเมตกรกัอะไรน่างๆนี้เร า, เราสิ่งเหล่านี้เราสังเกตจากจิตของเราเองที่มีการพัฒนาไ ป, ปา ก, การฝึกสติมาสามารถคอยคุมอารมณ์เราได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะหลุดออกไปโกรธก็หลุดออกไป โลกก็หลุดออกไปพอเราเม็นสติเราก็รู้ว่าเสียงเหล่า น, นี้ไม่ดีแล้วก็ค่อยหักพามันไว้อันนี้ก็เป็นในระดับเบื้องต้นไหมคะอระดับทั่วไปหมายถึงระดับที่เกี่ยวข้าาอง ก, กับุคนคนเดียวแต่มันมีเรื่องปัญญาที่เรายังต้องพิจารณาหลายอย่างด้วยกันค่ะเป็นเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่าง ท, <ะ>ทุกคนเรื่องของการพลาดจากกัน อันนี้ก็เปเรื่องที่เราต้องคอยเบื้องต้นก็ทําการบ้านไปเรื่อยๆสอนใจเราไปเรื่อยๆว่าในที่สุดก็ต้องสิ้นสุดลงชีวิตของเราชีวิตของเขาเราจะไม่ได้อยู่กันแบบนี้ไปตลอดจะต้องมีการพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาอันนี้เราก็คิดทําการบ้านไปก่อนแล้วเกิดเวลามีการพลาดาดเกิดขึ้นจริงเราก็จะได้ไม่เสียหลักเราก็บอกน้องมันเป็นธรรม ธรรมาอานชีวิตอันนี้เข้าไปตค่ะด็กตอนนี้ก็สุดเยอะอะค่ะเพราะว่าแม่ก็ใกล้จะอายุหนึ่ร้อยปีเดือนหน้าเนี่ยก็อยู่ด้วยกันถ้าสึกได้เต็มที่เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็จะเฉยเฉค่ะก็ยอมรับได้ไม่เศร้าโศกเสียใจแต่อาจจะน้าน้ำตาบ้างเมื่อคิดถึงความดีของเรานี้ก็าไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ไม่ได้แบบเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทำนอน อขอบพระคุณค่ะจะมีอีกหนึ่งข้อได้ไหมคะอช่ห น, ชหนึ่งข้อคือเมื่อวานนี้ก็ก็ฟังอยู่ในภาษาอั ง, งกฤษนั่นนะคะก็อยากจะเรียนถามมานานแล้วเหมือนกันว่าคนต่างชาติหรือหลายๆหลายๆชาติหรือแม้แต่คนไทยที่ฝึกนั่งสมาธินะเมดิเทชั น, นเนี่ยที่เขามีคลาสอะไรต่าง ๆ, ๆเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติแต่เขาไม่ได้ เข้าลึกไม่ได้รู้จักพศาสนาด้วยซ้าไปแต่เขาก็ฝึกอันนี้แล้วก็เหมือนกับเขาเนี่ยสามารถเมดิเทชเนี่ยได้ได้เยอะอะนะคะอันนี้จิตเขาคืออยู่ที่ไหนคะ่ะคือบวามจริงอะเขาเข้าถึงศาสนาพุทธศาสนาพุทธที่พวกเราเข้าถึงมันไม่ใช่ศาสนาพุทธเจ้าละค่ะอืศาสนาที่เราเข้าถึงนี่สอนแาน่เรื่องพิธีกรรมหรือซ่งส่วนกรแค่ ทำทานรักษาศีลไม่ได้สอนเรื่องภาวนาลเลยพวกต่างประเทศนี่เขาอ่านพระไตรปิฎกกันอ่านประศุทธ์ต่างๆของพระเจ้า<อ>เขารวมพระเจ้าสอนมั่งแปดเนี่ยคนไทยเราเป็นชาวพุทธทราถามดู ว, ว่ารู้จักบ้างแปดหรือเปล่าปฏิบัติตามมั่งแปดได้หนือเป่าแทบจะไม่ได้นอกจากพวกที่สนใจศึกษาปฏิบัติจริงๆนั่นเองนี่ยครูตามหลังแล้วพวกต่างประเทศนี่เข้าเข้เข้าถึงแก่นของศาสนา ส่วนชาวไทยเรานี้ชาวคนไทยนี้เข้าถึงเปลือกของศาสนารู้เรื่องกวดน้ารู้เรื่องอใส่บาตรู้เรื่องไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆนี้มันเยอะรู้เรื่องวิธีบูชาดอกไม้ถูกเทียนจัดดอกไม้จัดอะไรที่เรื่องเรื่องแบบเปิดขนาดเป็นเรื่องของนีไอตัวแก่นคือริยสัจสี่สีนสมาธิปัญญานี่มันไม่รู้เรื่องเลย งงพวกนี้ที่เข้ามาภาวนาได้แสดงว่าเขาเข้าถึงแก่นภพวกคนไทยเรานี่เข้าถึงเปลือแต่ไม่เข้าถึงแก่นทําบุญทำทานกฐินงานผ้าปางานอะไรการขึ้นบ้านลงบ้านางานอะไร้มนุ์พากันทาบุญกันเป็นประจําในคั้นทานอันทาบุญทำทานศีนก็ยังไม่ค่อยรักษากันเลย รักษาก็ตอนก่อนนอนบางคนขอรักษาสิ้นตอนก่อนนอนมาทางสิ้นก่อนนอนค่ะอย่างเราก็อย่างเราก็เหมือนกันเราเกิดมาก็ไม่เคยเข้าวัดเข้าอะเพราะบ้านเราไม่ได้รับถือาศาสนาเราเรียนก็ไปเรียนองค์เลนคริสนก็เนี่ยมาได้หังสือตอนที่กลับมาจาก การจบแล้วมาหานังสืออ่านถึงจะได้ได้ไดไดไดธรรมะแก่น<ม>ของศาสนาเพราะเขาถึงแก่นมันก็ปฏิบัติได้มันไม่จาเป็นจะต้องเข้าวัดปฏิบัติเพราะหนึ่งวัดจะไม่สอนแก่นถ้าไปวัดก็จะสอนให้ให้แต่ทำบุญทำอะไรไปว่าอย่างนั้นแสดงว่าเวลาที่เขามีคลาสอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมดิเทชันเนี่ย จริงๆแล้วก็สอนในเรื่องของการเข้าถึงซึ่งจิตของตนเองใช่ไหมคะแล้วก็ใช่จกจัดกิเลสที่มีภายในจิตของตนกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสลบก่อนหงได้หมดไปจากใจนั่นแก่น ช, ชาวต่างชาติเขาเข้าถึงแก่นเพราะเเป็นคนที่ศึกษาเก่งเนี่ยว่าเขาศึกษาอะไรแล้วเขาเข้าใจคนไทยเราไม่ชอบศึกษากัน ชอบชาบให้ชีบอกครับทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิปวด น, น้าํ า, าสิตายบาดสิอตาพังสิอะไรเงี้ย่ะไปสอนในเรื่องที่มันเป็นเปลือกใช่ไหมฮะในเรืเป็นแก่นบนนั่งสมาธิสิไม่ค่อยสอนเท่าไหร่ฝึกสติสิไม่มีสอนกัน้ยปองว้างสิปองอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ได้เลยพราะพูดแต่ความตายเนี่ย พูดไม่ได้เลยการเป็นเรื่องบัตรซบ so ไปกลายเป็นเรื่องอัปมงคลไปเนี่ยน so ี so ่ค so ือความแตกต่า <Yes, งระหว่างแก่นกับเปลือกของศาสนาเป็นอย่างนี้พอใจแล้วนะขอบคุณสบายดีนะด้วยดีครับครับวีช่วงนี้คงจะไปไหนไม่ได้นะนองระบาดครับอยู่ที่บ้านเดียวแล้วครับอเค ห า, ายปลอดภัย น, นะอบคุณรับโอเคออเ ค, คุณเอกอยากเชิวมาเชิญกรรอมการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงครับวันนี้ไม่มีคำถามก็พระอาจารย์เข้ามารับฟังครับผมโอเคนี่แต่ปฏิบัติอยู่นะโอเคยั็นไปที่อาจารย์คคุณหมอภาสนะต่อเลยคุณหมอภาสนาค่ะ กลับนมันส ก, กัครพระอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณมคนหลาคนคุชัยวันนี้ mm. มีสองคำถามค่ะพระอาจารย์ค่ะคําคําถามแรกนะพระอาจารย์ก็คือว่า เ, ออเวลาเราพิจารณาพิจารณาสติปัฏฐานเรื่องจิตนะคะมันจะมีจพิจารณาจิตภัยจิตในจิตภายในกับจิตภายนอกอยากเดินถามพระอาจารย์ว่าจิตภายในนะครับที่เราเองรูมันคือจิตที่เราเห็นตอนนั่งสมาธิจิตภายนอกคือลบกดหรือย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์คือตรงนี้โนมคือมันแล้วแต่เราจะแปลความหมายเราแปลว่าจิตของเรากับจิตของคนอื่น จิตของเราพลังอือเวลาคนหนึ่งเขาโกรธวัน่นจิตของเราพลังโกรธเขาโลภไปเห็นว่าจิตเขาก็ลังโลภเวลาเราโลภเราก็เห็นว่าจิตของเราพลังโลภถ้าเราว่าจิตเหมือนกันเขาพลังเขาโลภเขาก็โลภเราโกรธเขาโกรธก็เป็นไตรักเหมือนกันโอเคใจแล้วครัอาจารย์ยิ่งก็ง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นมันมองเห็นชัดแล้วก็อีกข้อนึงนะคะพระอาจารย์ เรื่องพิจรารณาธรรมอะค่ะก็คือได้ลองเรื่องอุปทานขันห้ากับอัญจนาหกในเรื่องของธรรมคือจําได้ว่าพระอาจารย์เคยให้ไปอ่านพระสูตรอะก็เลยกลับไปอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันเข้าใจตอนนี้อ่านแล้วมันเข้าใจมากขึ้นก็เลยพิจรารณาเวลาขันห้าอุปทานขันห้าก็พิจรารณาใช้อนันตะลัคณะสูตรแล้วก็ถ้าเป็นอนถ้าเป็นอัญจนา6ใช้ความร้อนใช้เรื่องของอาทิตตะไปห่ม ย, ายาียญชื่อยากมากเลยแต่ว่าแต่ว่าเข้าใจอะคือใช้อย่างเงี้ยได้ไหมคะเพราะว่า มันจะทำให้เข้าใจเรื่องของเรื่องของอรยกับอุทานขันห้าด้ดีหรือว่าไม่ควรก็ถูกต้องขันห้าบางทีมันถ้าไม่ไม่ไม่เข้าใจมันมันจะไม่เข้าถึงอาิยธรรมแต่ความจริงถ้าเราเข้าใจมันก็มันก็รวมอายตนะอยู่ในนั้นเมื่อแต่เราไม่รู้บางทีท่านต้องแสดงแยกออกมาจริงเข้าใจก็เข้าใจไปว่าไม่ต้องพูอริยธรในขันห้าก็คือวิญญาณ่ย ปีญญามันก็ไปเกาะกับอายตนะคือตาหูจมูกร่างกายแต่นี่มันต้องขยายความถึงการเข้าใจวิทยาเลแสดงยากออกไปว่าอ่าขันห้าอ่านี้จะแสดงขันห้าแสดงอายตนะแทนอ๋ออย่างนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องท่องอันนี้รูปเป็นไฟเสียงเป็นไฟไฟราคะไฟโทสะอ่าใช่อาอะไเห็นรูปบ้างว่าเกิดราคะขึ้นมา เกิดโทสะขึ้นมาได้ยินเสียงก็เกิดโลภะเกิดโทสะขึ้นมาอันนี้ก็ให้ให้ระงับโลภะโทสะเวลาที่ไปสัมผัสเริ่มต้นแค่ให้ไปสํารวมตาหูจมูกเล่นกายไปปิดวิเวทอย่าไปดูพรดูแล้วมันมิดขึ้นมาเป็นไฟแล้วดับมันไม่ได้ให้ไปติดวิเวทไปสร้างไฟคือธรรมะ ก, ก่อนไปไปสร้างน้ําคือธรรมะ ก, ก่อนไปสร้างสติสร้างปัญญาก่อน มีความมีสติมีปัญญาแล้วเวลามาเห็นไฟลุกขึ้นมาก็จะดับมันได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นช่วงช่วงที่เรากำลังดูเรื่องของความลบกดหลงนี่ยเราก็ต้องนั่งสมาธิภาษาหลัก ป, ป, ปัญญาเพราะว่าเราต้องการอุเบกขาเพื่อที่จะมาช่วยดับไฟคือ ต, ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกดีขึ้นนิ่งขึ้นเยอะอ่านแล้วนั่งทคำสลับปัญญอย่างตลอดถูกต้องแล้วนะคะเอะก็คอยคอยคุมความโนกโกรนลงนค่ะ ตอนนี้ไม่มีอะไรแลร้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวคงวต้องไปไปปรีวิเวกเดือนหน้าเพราะว่าแบบเกรงใจเขาเพราะว่ากราุงเทพเขาแชทดาวแล้วเดี๋ยวแบบเขาเขากลัวเราอะ่ะเราก็เลยว่าก็คือขอย้ายวันเป็นเดือนหน้าเป็นเจ็ดวันนะครพระอาจารย์เป็นเดือนหน้าแนทนค okay. ่ะโอเคสาธุคุณโอ Ole. เล่เชิญโอเล่ปิดไมค์ก่อนอยู่ระยองให้โอเล่ปผมกลับพ่อครับมีคำถามไ้มวันนี้ ไปทาบุญกับหลวงพ่อไม่ได้ครับจอนนี้โควิดระบาดหนักครับออรก ม, มาทบุญที่ไหนก็ได้ทำบุญกับแฟนก็ได้ <c oughs> ซื้อของให้แฟนกินซื้อขอนมให้แฟนกินแฟนจะได้รักเราชอบเราเอาใจแฟนเอาใจลูกเยี๋เวาแต่ใจเอาใจเราอย่างเดียวเอาใจเขาด้วยแล้วเขาจะเอาใจเรา ทำบุญกับคนใกล้ตัวก่อนอย่าไปทำบุญท่านบอกว่าให้ทำบุญกับป้าหลานในบ้านก่อนก่อนที่จะไปทำกับป้าหลานนอกบ้านในบ้านเราสงบเมื่อยังไม่ใช่ในบ้านเราวุ่นวายเพราะเราบกพร่องในหน้าที่ของเราแล้วเราโมวแต่ไปทำหน้าที่ภายนอกบ้านอย่างเดียวตอนนี้ดีแล้มีโอกาสจะได้ทำหน้าที่ของเราในบ้านให้ให้เต็มที่ให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนรักเราชอบเรา ว่าเราเป็นผู้มีความเมตตากรุณาดีหัหยครับข้างนอกไว้มีโอกาสค่อยไปทำบุญทำในบ้านก่อนให้ทำบ้านของเราให้สงบให้มีความสุขก่อนแล้วก็ไปทำความสุขนอกบ้านต่อไปช่วงนี้ที่ล่าสุดที่เพื่อนร่วมงานก็ติดโควิดครับคือตอนนี้ก็อยู่กับสถานการณ์ที่ว่าตัวเอง มีโอกาสที่ติดโควิดได้มากมากครับตอนนี้หลวงพ่อครับก็เลยต้องทำใจที่ต้องต้องยอมรับกับสถานการณ์ยุคตลอดเวลาครับก็ต้องพยายามฉีดวัคซีนไว้นวก็พยายามป้องกันตัวเองตอนนี้ห้ามมันไม่ได้แล้วมันมันแบบว่าอยู่ในระดับที่คุมไม่ได้นอกจากวัคซีนนั้นถึงจะเอามันอยู่มันก็ยองมันก็ยังอ ม, มีคนติดอยู่เรื่อย แต่ถ้าเรามีวัคซีนก็จะปลอดภัยครับเดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันอยู่ความจติดจริงๆมัตายก็น้อยละหนึ่งนันเองร้อยคนตายคนหนึ่งส่วนห้อยส่วนใหญ่ก็หายอาจจะทรมานหน่อยเวลาติดมังคนจะเป็นไข้เป็นอะไรป่วยตามตัวตามร่างกายเดี๋ยวพอรีบเป็นหมดมันก็หายไนปะ พยายามทำใจให้สงบแล้วก็พร้อมรับกับมันถ้ามันจะติดก็ก็ติดไปทำอะไรไม่ได้ถ้าฉีดวัคซีนได้ก็รีบฉีดซะอย่าไปกลัววัคซีนกลัวกลัวโรคมากโอกาสที่ถูกโรคทำรลายนี่มากกว่าโอกาสที่จะถูกวัคซีนทำลายครับกราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับผมอเมานได้นี้นะ สุณสอนดวงสันดวจากวันเขตวนเขตกรรก า, ารพู้อาวุโสมีคําถามไหมไม่มีค่ะพระอาวุโสเข้ามากาาราบผูะะ้อาวุโสค่ะอันนี้ที่เราระบาดมากไหม อ, อ๋อประมาณทุกวันนะคะประมาณเก้าสิบคนนะคะพู้อาวุโสทั้งประเทศก็ไม่มากค่ะก็เป็นทุกวันเลยค่ะพู้อาวุโสจากที่แบบว่าศูนย์นะคะเอืม มันอ จ, จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะรู้สึกว่ามันมันตัวนี้มันแพร่กระจายเได้เยอค่ะตัวที่ดัตต้าค่ะอาจารย์เร็วมากค่ะระอาจารย์ที่นี่เมื่อตามเทศะก็ติดคนละสองสามคนในจังหวัดเนี่ยอย่างนี้วันนี้ติดทั้งสามน้อยกว่าคน<ะ>เข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยอะมากเลยค่ะค่ะไม่มีทาง<ฮ>ที่จะหยุดมันได้ถ้าไปรับดาวก็เดี๋ยวก็อดตายันี่ หนักเลยค่ะอาจารย์ต้องเปิดแล้วก็พยายามหวังเพิ่มความระมัดระวังของแต่ละคนเอาหวังเพิ่มวัคซีนนะนี่จะได้วัคซีนมาเมื่อไหร่นี่ก็แล้วแต่บุญกรรมของประเทศไทยแล้วแต่เดี๋ยวก็ได้ค่ะอาจารย์อย่ก็ผ่านไปอย่างเงี้ยดีอย่าไปวุ่นวาอย่าไปโทษกันนัโทษกันดี้เลยหนื่อยเปล่าๆด่ากันไปด่ากันมามาคิดแก้ปัญหากันดีกว่า คิดว่าเราจะต้องทำอะไรกันยีงไงบาทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพหนูที่ทำไมีอะไรหมหนูครบสองเข็มแล้วนะคะอาจารย์ชีอะไรชินอวัเอสตาเอสาสองเลยก็ดีเยก็เอสตานีแลงนะคุมได้ 99% เจะได้ค่ะที่ อไฟเซอร์เข้ามาช้าค่ะพ่อาจยันแล้วก็ประมาณเดือนหน้าก็จะมีของอออ่ของอะไรของโมเดอร์นาเหรโมเดอร์นาของสปูตเนกนะของจอร์ซันเนี่ยจนร์ซันจอร์ซันมีหลายยี่ห้อตอนนี้เขาก็ต้องใช้ในประเทศเขาก่อนค่ะ เขาใช้ครบแล้วก็ถึงจะส่งออกขายไหมขายนอกลอยจากแล้วส่ง้ายข้างนอกก็เป็นธรรมดาถ้าเป็นเาเราก็ต้องทำอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องดูแลคนของเราก่อนแล้วคนของเราได้รับแล้วทีนี้ก็ค่อยไปดูแลเพื่อนบ้านต่อไปค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะอ่าาาาุาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา จากกรุงเทพได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินแล้วกลับมาสการค่ะวันนี้มีคําถามค่ะพระ อ, อาจารย์ครับเช่นค่ะออตอนที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่หลงไปอ่ะค่ะแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ปฏิบัติต่อเนื่องนะคะปัจจุบันนี้ก็ อ, อตอนนี้ก็รู้สึกว่าสงบแล้วค่ะสงบสง บ, สงบเหมือนปกติแล้วะค่ะ ทีนี้ค่ะต้องมีสติควบจิตอย่าไปอย่าไปตามจิตอย่าไปตามโน่นค่ะพ น, นั้นที่หลงไปก็ไปคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงหลงอะไรอย่างนี้ค่ะคือเอ่อเหมือนกับว่าตอนนั่งสมาธิอ่ะคะ่ะไปดูความว่างอะคะ่ะพระอาจารย์ออไปดูความว่างเสร็จแล้วตอนที่ดูความว่างมันจะรู้สึกว่ามันโลง่ลงๆอะคะ่ะก็พยายามรู้สึกว่าเอองั้นเราเรานับหนึ่งถึงสิบกาหนดไปพร้อมกัน พอดูความว่างแล้วกําหนดหนึ่งถึงสี่ไปพร้อมกันเออจิตมันรวมค่ะแล้วมันก็รวมเร็วแล้วมันก็รวมดีก็เลยทําอีกพอคําที่สองทำไปก็ดูความว่างเหมือนเดิมแต่ไม่ได้มีกําหนดอะไรไปพร้อมกับความว่างอะคะ่ะมันก็เผลอไปเห็นโน่นเห็นนี่เลยค่ะอ่าก็ต้องเล็งข้อเทียมาอย่าไปตามเห็นนะอย่าไปตามค่ะค่ะปัจจุบันนี้ก็คื อ, อ, อก็กำหนดค่หนดว่าก็<ๆ>ใช้พุโทโธใช้การนับไปก็ได้หยุด ค่ะก็เลยก็เลยกําหนดกําหนดไปที่จุดใดจุดหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าดูลมหายใจที่ที่เคยบอกพระอาจารย์นะคะว่าลมหายใจมันละเอียดมากแล้วเรารู้สึกว่าเราจับไม่ได้อะค่ะก็เลยพยายามจับถึงมันจะละเอียดแค่ไหนมันจะหายใจเข้าแล้วหายใจไม่ออกหรือจะหายใจช้าก็จับจับจับจับจนเออพอจับได้แล้วจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่สมาธิได้เร็วเร็วขึ้นนะคะค่ะแล้วก็พอพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ย อจิตมันมีกําลังค่ะมันมีมันจะเย็นได้ทั้งวันแล้วพอเวลาเราไปเจอค่ะค่ะแล้วเวลาเราไปเจอเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันทําให้เราสะเทือนใจแล้วเราทุกข์อ่ะจิตสติมันจับได้ทันนะค่ะค่ะพอมันจับได้แล้วเนี่ยค่ะพอมันจับได้แล้วเนี่ยสมมติว่าเราทุกข์เรื่องโน้นเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าเราเราไม่ต้องใช้ปัญญาแบบด้วยการคิดของตัวเราเองอ่ะ เราใช้ใชปัญญาชุดที่พระเคยเคยฟังจากที่พระเทศนะคะหรือว่าที่พระโต้อตอบกันในห้องฟูมอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะแยะ แ, แล้วปัญญาใช่ค่ะคือุเบกขาค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออก่อนหน้านี้เราไม่เขราหนูใช้ไม่เป็นนะคะหนูคิดว่าเราต้องคิดออกมาสดๆแต่พอพอเรามีอุเบกขาแล้วอะเราเอาชุดชุดชุดธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากทิพย์เทศนะคะเป็นปัญญาขึ้นมาทันทีเป็นปัญญาทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ โอ้โห oh, ให้เราทราบได้ว่าเออในวันวันหนึ่งๆเนี่ยเราก็มีทุกข์หลายอย่างนะแต่ว่าเรามไม่เคยสังเกต่ะคะ่ะอยา่างเวลาถ้าเป็นเรื่องที่เราทําไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญาชุนดนั้นไม่มีแล้ก็ต้องสร้างกัน้นมาค่ะแล้วทีนี้ เ, ออเราหนูรู้สึกว่าบางทีมันก็เยอะมากอะ่ะเราต้องจดเหมือนกันใช่ไหมคะจดมาแล้วเพื่อมาทบทวนแล้วท่องหรือเปล่าคะคือถ้าจําไม่ได้ก็เอ า, เอามาเอามาจดแล้วเอามาท่อก็ได้ ถึงเวลามันมันจะมาสายโน้ตไม่ได้มันมันเหมือนขึ้นไปในเวทีช่องมวยแล้วมันจะมานั่งอ่านตำราชคไม่ได้มันต้องใช้ใช้ปัจจุบันทันเดือนใช้ปัญญาใช้ความคิดความจาที่เราจับจามาใช้ให้มันขึ้นมาให้ได้ค่ะเออแต่ว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องท่องเป็นเคสเคสแต่ว่าเราท่องทำที่เราคิดว่าเออมันมันโดนอย่างเช่นคําว่ามักน้อยสันโดษอย่างเงี้ยค่ะเออมันใช้ได้หลายมันใช้ มันใช้ค่ากิเลสได้ได้หลายเรื่องเหมือนกันนะคะคําว่านิจังเราค่าได้คําว่าทุกขังเรค่าได้คาว่านัตตาเรค่าได้ถ้าเราเลืกจากใช้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้จังสําหรับหนูเนี่ยหนูจะไปใช้คีย์เวิร์ดตัวอื่นอย่างเช่นว่ามีเจริญมีเสื่อมอ่ามีมามีไปไม่แน่นอนมีการเปี่ยนแปลงมีเกินมีดับน้าตาเขาไม่ใช่ของเราเดี๋ยเราต้องจัดกัน แ, <ต>แล้วแต่เราจะรู้จัจะใช้อย่างไรก็ใช้ได้เนื้อทุ ก, ก็ได้นะอย่าไปยุ่งนะยุง่งว่าเดี๋ยวทุกนะแค่นี้ก็จบลนะค่ะอันนั้นยังไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถามพระอาจารย์ น, นิดนึงนะคะเออเวลาที่เราพิจารณาทางธรรมเนี่ยบางหนูรู้สึกว่าบางทีเราเห็นมันเป็นอั น, นิีจังปุ๊บเราก็เราก็หยุดได้เลยอะ่ะเราต้องเราไม่ต้องไปพิจารณาถึงว่าอย่าไปอยากแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันอัตโนมัติว่าเราจะหยุดอยากเลยหรือเปล่าคะเวลาที่เราเห็นอันนี้จังแล้วอะค่ะ ก็แล้วแต่ว่าเราเห็นจริงไม่จริงอเนี่ยถ้ามันถ้าเป็นสัญญามันจะลืมคราวหน้ามาะจะลืมไยยม่ยั่งยืนก็ต้องพิจารณาขึ้นมาใหม่อืมเราหมายก็ดูที่หยุดความอยากได้หรอือบ่หยุดความทุกข์ได้หรือบ่ถ้าหยุดได้ทุกครั้งก็แสดงว่ามันเป็นปัญญาถ้าหยุดได้บ้างไม่ได้บ้างแสดงว่าเป็นสัญญาบ้างลืมค่ะ แล้วเราก็ต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาต่อในในในช่วงนึงไม่ต้องเหมื น, ม, ม, นมันพิจารณาเกลี่ยนใจหรือยังซ่อมไว้ก่อนเพเวลาเจอคราวหน้าจะได้ไม่ถึงค่ะก็พยายามท่องที่มันเป็นเป็นธรรมแบบที่เราโดนโดนหลายหลอักสาคัญสําคัญนะคะใช่ก็ว่ากันไปเมื่อมีหลายตัวก็ก็แก้ไปเรื่อยเรื่อยมือไหนที่ยังแก้ไมาได้ก็จะได้เป็นประเด็นขึ้นมาว่าตัวนี้เรายังแก้ไม่ได้ก็ต้องพยายา ทำการบ้านให้มากขึ้นสำหรับตัวนี้ค่ะมันมีเยอะเหมือนกันครับเพราะบางลีเราไม่รดับหลายแต่เราก็ตกใจเลยค่ะหนูนั่งจดเฮ้ยของวันนี้มีตั้งสามสี่ตัวโอ้เรามีแบบเราไม่รู้ตัวค่ะอย่าไปช้า่าใจเลยค่ ะ, คะมันมีแบบทื่พวกที่ยังหลบซ่อนอยู่ ก, มกม็มีแต่พวกนี้มอนพวกส่วนใหญ่มันโผล่ขึ้นมาค่อาจจะต้องุดคุณิตรอมันเนาะให้ตัวที่มันซ่อนอยู่ให้มันออกมาค่ะค่ะพอเวลาเจอนี้ ก็ไม่รู้ดีใจหรือเสียใจคือก็จะต้องแบบสู้ต้องพยายามที่จะแบบดับทุกข์แต่ว่าดีใจก็คือว่าเออมันมามันปรากฏให้เราได้ดับแต่พอเวลาจะต้องสู้กับมันก็คือโอ๊ยทำไปด้วยความแเหมือนกับมันไม่มันเหมือนกับสู้กับเวทนาที่เราเก็บทางกายอะค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นทางใจแทนค่ะอ๋อแล้วก็ mm. มีอีกครั้งหนึ่งตอนอยู่บนเขาค่ะตอนนั้นที่หนูปฏิบัติเยอะๆค่ะหนูไม่ได้เล่าอะค่ะว่า พอหนูออกจากสมาธิแล้วหนูเดินตามปกติเนี่ยหนูเห็นเป็นเงาดําๆอะคะ่ะเหมือนตัวเราเป็นเงาดําแล้วก็ค่อยๆหดหดหดหดหดจนเหมือนเหมือนตุ๊กตาเล็กๆเป็นพวงกุญแจะคะ่ะหนูไม่ทราบว่าอันนี้มันเป็นธรรมหรือว่ามันเป็นปรุงแต่งนะคะปรุงแต่งใช่ไหมคะความจริงมันก็ไม่ได้หดเนาะร่างกายเราก็เหมือ น, นเดิมอ๋มอค่ะได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้หมดค่ะอาจารย์คะ่ะเออมีอีกข้อหนึ่งคือ หนูจะขอโอกาสขอกับขมาผ้าจานนะคะกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้พลาดพังล่วงเกินผ้าจาไม่ว่าจะทางกายทางวาจารหรือทางใจขอตาบขอขมาผ้าจา์ด้วยค่ะอันนี้ก็ไม่เป็นของคุณนะไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เคยถือถทษก่อยเคืองใกรอยู่ใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราก็มไม่เป็นของเขาเราถือมักถือเป็นอย่างนี้แต่ก็ดีกัการที่เรา ถ้าเรารู้สว่าเราทํเราผิดพลาดไปแล้วก็ควรที่จะอควรที่จะแก้ไขขอ้ขอสำคัญก็คือเราอย่าไปทําใหม่ก็แล้วกันถ้าเรารู้ว่ามันผิดาาแล้วก็อย่าไปทําใหม่ใช่เอามันมาเป็นบทเรียนสอนใจเราค่ะแต่ถ้าเราเราไม่รู้หรอกใครร่วมเกินเรารไม่ร่วมเกินเราด่าเราภายในใจเรื่องอะไรในใจเราเราไม่รู้เรื่อง เดินไรเก็บก็ทาบไปคุยกคนนั้นคนนี้ไปว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ไม่ไช่สนใจไม่เอามาเอามาแบบใมันเหนื่อยเหนื่อยไปเปล่าๆเราอยู่กับความว่างสบายกว่าคือในปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันก็มีแต่ความว่างนั้นเข้าไม่ถึงเราหรอกคุณจะมาร่วมเกินเราอย่างนี้มันก็อยู่ในใจของคุณอ๋อค่ะเราไม่ร่วมเรื่องด้วยนะเออ เออค่ะโอเคนะแต่ก็เป็นเป็นวิธีที่ดีสําหรับวิธีแก้ปัญหาของเราถ้าเราไปร่วมเกิดใครทางกายทางวาจาแลือทางใจก็ควที่จะไปไปขอเข้ามาลาโทษเขาจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมนั่นถ้าเขามอภัยถ้าเขาไม่อาภัยก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องรับรับเวรรับกรรมไปบางทีอาจจะไม่ตั้งใจหรือว่าพลาดไปหรือไม่ ไม่ตั้งไม่ไม่เจตนาอะไรอย่างเงีนะ้ยดีมันจะได้เป็นเรื่องเป็นเครื่องเตือนใจเราสอนใจเราให้มีความระมัดระวังมากขึ้นต่อไปโอเคนะอาจารย์ค่ะหนูรู้สึกดีใจมากเลยะ ท, ท, ที่ที่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอช่นั่นนะรอดแทนทาชนะรอดทำผิดใช่คือคื อ, คอตอนนั้นที่หลงไปหนูก็งงมากเลยว่าไอ้ที่เราทำทำไปเนี่ยมันจะสูญหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอ หนูก็ไอ้ที่มันทําแล้วมันศูนย์หรือเปล่าแต่พอมาทําใหม่ก็อ้าวมันมันได้ถ้ามันถูกก็ทําให้มันถูกมันก็ได้ค่ะค่ะโอเคนะก็รู้สึกดีมากค่ะขอบพคุณมากค่ะมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะมันก็อนิจจ์ใช่ใช่อนิจจ์ใช่ค่ะพอเจอคราวนี้มามันไอ้คาว่าอนิจจ์นี้มันแบบมันสดมันยิ่งชัดเจนเลยค่ะชัดเจนมีเจริญแล้วก็ปกติแล้วข้อคว ปกติเราจะท่อว่า ม, มีเจริญมีเสื่อมใช่ไหมคะคราวนี้ก็มีเจริญแล้วก็มีหลงเหมือนกันมีหลงแล้วก็หายหลงแล้วเดี๋ยว ก, กลับไปหลงใหม่ก็ได้หลงอีกเรื่องหนึ่งหายหลงจากเรื่องนี้ก็ไปหายไปหลงอไกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะหนูหลงเยอะมากเลยค่ะรู้สึกเนี่ยมันประโยชน์จากการที่มีเพื่อนสาธธรรมิกะโดยเฉพาะพวกที่เขารู้มากกว่าเราเนี่ยช่วยเราได้ถ้าเราเชื่อเราค่ะถ้าเราไม่เชื่อเราก็ช่วยไม่ได้เหมอนกันแต่แม่เขาจะรู้มากกว่าเรา ค่ไมันอย่าเชื่อตัวเองมากเกินไปถ้ารู้สว่าการเชื่อตัวเองทําให้เราไม่ก้าวหน้ า, นานแสดงว่าเราผิดแล้วเราต้องเชื่อคนอื่นบ้างแล้วก็เพื่อนๆในห้องซูงด้วยค่ ะ, ะเวลาที่เขาถามทำรู้สึกว่าเป็นประโยชน์อะค่ะอดีเพราะว่าทุกคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไปซึ่งต่อไปเราจะเจอปัญหาเหล่านี้ก็ได้ <ช>เราได้งลวงหน้าก่อนแล้วเราจะได้รู้วิธีแก้เวลาเจอแบนใช่ค่ะใช่ค่ะเอามาเรียนแบบหลายข้อเลยค่ะใช่โอเคนะ<า>นคุณยินดีจากเซาแอลไลน์หน้าภรรยาของคุณเดวิดอยู่ใกล้วัตยาเนี่ยอยู่อยู่ลงโป๊ะถ้าถ้ากลับมาจากต่างประเทศกลันมาอยู่ที่ลงโป๊ะเมื่อก่อนอยู่พัตยาน่อยู่ปัตยาได้ เคียนต้ค่ะค่ะมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมวันนี้เข้ามาฟังทนันเข้ามาฟังธรรมค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกๆ ท, ท่านด้วยค่ะค่ะแล้วก็กราบขอขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงค่ะเดวิดฝากความคิดถึงเหมือนเดิมค่ะเช่นเดิมเช่นเคยนะแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะโอเคคุณทวิษาจากสวิตเซอร์แลนด์เชิญการธรรมสกรรมพระอาจารย์ค่ะ อันนี้ก็วันปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยวันะของเราค่ะพระอาจารย์ค่ะเช่นเดิมค่ะพระอาจารย์เขาวันนี้ยมมีข้อสงสัยกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าอืมถ้าถ้าถ้าเรามีความรู้สึกห่วงห่วงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่าเราไม่เป็นทุกข์กับเขาแล้วแล้วเราเอไม่เป็นทุกข์แต่ว่า เราจะเช็อยังไงว่าอันนี้มันคือมันคือการเป็นแบบเฉยอุเบกขาของเราหรือว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่เราเมินเฉยแบบใจจืดใจดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราเองเราทำไมไม่ไม่ห่วงเราก็ไม่ยังง่วนอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราเราห่วงแต่เราไม่ได้เป็นทุกข์นะคะพระอาจารย์เราจะเช็กยังไงว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออุเบกขาหรือมันเป็นการใจจืดใจดำถ้ามันไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นอุเบกขา ใจเจื่อยใจดำก็คือห่วงแบบไม่แบบไม่ไม่เยื่อใยไม่ไม่ยาแสอะไรห่วงแล้วก็มีเมตตาด้วยดูแลกันช่วยเหลือกันอะไรต่างๆนี้ออืคมันไม่ใช่ห่วงไม่ไม่ห่วงแบบไม่ไม่ยาแสไม่อะไรเลยคคก็มีความมีความคือห่วงแต่ไม่ไม่ทุกกับความห่วงใหญ่ โด<ม>เรวมอเพื่อดูแลช่วยกันถ้าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเข้าไปอะไรทำนองนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยบางบางทีบางทีได้รับการวิวอะไรสักอย่างแล้วก็เอ๊ะหรือหรือว่าจิตเรามันมันมันเฉยแบบเฉยเมยหรือว่ามันยังไงกันแน่ก็คือคือสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะเรามันคืออะไรยังไงถ้ามันถ้ามันแบบเฉยเมยมันแบบเกียชังมากกว่า จิตชังเขาไปเลยไม่ไม่แยแสเขาแต่ถ้าเราลักเขาแต่เราห่วงใยเขาแต่เราไม่ทุกข์ง่ายใช้ได้ค่ะถ้าเกิดคือบางถ้าเกิดห่วงใ่ไม่ทุกข์แนะนําไทยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําตามหรือว่าเขาไม่ได้อะไเราก็ก็เฉยเราก็เขาปล่อยก็จบนะคะเข้าใจมีสิ่งนี้ก็รับได้นั่นให้เงินทำเขาใช้บ้างซื้อของไปฝากเขาบ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้ จำจำถ้ามันห่วงใ่ว่าเขาอา mm hmm. ไม่อาจจะไม่มีข้าวกินอาจจะไม่มียาก็ซื้อไปให้เขาเองได้โอเคนั okay. ่นคือคือเช็คเช็คแบบนี้ว่าถ้ามันไม่ทุกกับเรานี่ mm hmm. แสดงว่าเราเรามีเบือ้องคานระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอ า, าจารย์ถ้าเรากินได้นอนหลับเป็นปกติมัน mm hmm. จะเป็นอะไรก็เรื่องของเขา mm hmm. ถ้าช่วยเหลือก็ได้ก็กยินดีที่จะช่วยเหลือคะค่ะด mm ี hmm. okay. ค่ะมีที่ค่นะมีสงสัยตรงเนี้ค่ะป้าจารย์ก็เลยลอยากโน่นเราก็คืออยากทุกแต่ก็ดูแลกันไม่ทุกข์กับเขาแต่ก็ดูแลกันช่วยกันค่ะค่ะป้ า, าจาันค่ะประมาณนี้ค่ะขอบมีปิดคอนตรงนี้ค่ะขอบขอบขอบคุณค่ะป้ า, าจาัว น, ว, นว่าวได้ว่าว่าเออเราเร า, เราได้เอทําถูกแล้วนะหรือว่ายังไงมันใช่ไหมค่ะ ขอ บ, บคุณค่ะคุณอ้อมจากบอเวียนเชิญคุณออมน้ำมศการค่ะอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะไม่มีคําถามอ่ะเดินไปที่คุณพระฤาดะต่อพระฤาดะสาธิกาน้ำมศการค่ะอาจารย์ไม่มีคําถามค่ ะ, ะคุณบริสต่อเลยเด้ไปอย่างรวดเร็วรก่นยอม่าอาจารย์ ค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะ <Okay. S 2> เราขออ น, นุญาตค่ะกำลังจะไปเลยนะการบริยารบริการไอแพดเช่กลับนมัสการอยู่ที่ไหนน้ำมาสการค่ะเอ่าอยู่ออสเตรเลียค่ะอาจารย์อยู่ที่ซิดนีย์ค่ะซิดนีย์ตอนนี้ยังปิดเยอะเปล่าแล้วเปล่านะอ่าปิดค่ะล็อกดาวน์ค่ะก็เลย เลยถือสิงแมาหลายวันแล้วค่ะอื่คมีคำถามอะไรไหมก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิเริ่มแบบเหมือนนิ่งแล้วเราเราควรจะทำยังไงต่อคะนมัน<จ>นิ่งนานๆน้ น, นๆต้องทำอะไรต่อพยายามรักษาความนิ่งไว้ให้นานที่สุดถ้าที่จะเป็นได้ถ้ามันจะหายนิ่งก็ทาเรื่มงทำใหม่ต่อดูลองตอบไปพุโทโธใหม่ต่อพยายามนิ่งนานๆ เตอนนี้เราต้องการฝึกวิธีทำใจให้นิ่งให้ชำนาญมาแล้วต่อไปเวาเราออกจากสมาธิมาเราก็สอนใจทางปัญญาได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกินไม่ดับลาบยศสรรเสริญสุดนี้เป็นของที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวาจะได้ไม่ไปยึดติดกับมันค่ะพอพ<ด>อค่ออะพอหยุดอยู่ที่นี่อ่า สิทธิ์ก็ไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระค่ะพยายามตั้งใจไปที่วัดโพธิสัตวค่ะเป็นสายของหลวงปู่ชาค่ะหลวงปู่ชาพระอาจารย์อะไรอยู่ใ น, นทีออ่พระอาจารย์แลลี่ค่ะอยู่ในเมืองซนีเลยอยู่นอ อ, ออาอยู่ที่วิลตันค่ะออสิทธิ์อยู่ใกล้ๆพุทธลังศรีด้วยค่ะ อ, อ, อยู่อยู่อยู่ตรงกลางใช่ค่ะ หลางเสียงนี่เป็นสายของวัดโบอันนี้ไหมใช่ใช่ค่ะไปอะก็ตอนนั้นก็ไปปฏิบัติที่ที่วัดพุทัลังศีด้วยค่ะแล้วมีที่หนึ่งที่เป็นของชาวอินโดนีเซียที่ก็เป็นศรัทธาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยอะสิทธิ์ไปที่ของชาวอินโดนีเซียเนี่ยล่ะค่ะลูกชายก็ลูกชายก็อยู่สายหมวดสายของพ่อชาใช่ค่ะพระอจารลลี่ค่ะใช่ค่ะวัดมาบจันทร์อะสิทธิ์สิทธิ์ก็ไปปฏิบัติทุกวันพักกับพระอาจารย์แลลี่ค่ะ เขาก็เคยมากราบเราที่ที่วัดนี่ยแม่เขาแม่เขาใช่ค่ะคุณนีนาค่ะก็ก็ก็ก็บอกว่าอ่าบอกพระอาจารย์แลลี่ว่าติดฟังพระอาจารย์ตลอดเลยพระอาจารย์เลลี่บอกว่าดีแล้วหนวงพ่อให้ฟังหนวงพ่อตลอดใช่ค่ะก็เลยวันนี้เข้ามาครั้งแรกค่ะเข้าใจแล้วนะเวลานั่งสมาธิพยายามนั่งให้นานๆสงบให้นานๆค่ะค่ะ แล้วถ้าเวลาออกมาเดินจงกรมกพิจารณาตายรักไปนิจกรรทุกขังอนัตตาหรือจะเจริญสติต่อก็ได้พุทโธพุทโธต่ออย่าคิดแค่ได้ทได้สองสองวิธีค่ะขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะจะเข้ามาฟังบ่อยๆค่ะอ่าเชอญคุณค่ะสวัสดีคุณสุพัฒนาจากบอเวนเชิญอ่าเริมาแล้วผู้ชายน้องผู้หญิงได้ยินนะ มาเก่าอรวัดการพระอาจารย์แล้วค่ะแอไม่ได้ไปวัดก็เลยมาก่าทางทุง m เจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีคำถามเพียงแต่ว่ามีหลายๆท่านถามไปในเรื่องของการหยุดอยาเมื่อเมื่อสองสวร์นี้มันมีเรื่องที่ว่ามันมีความโกรธเข้ามาฉับพลันแต่ก็สามารถที่จะยุติได้ก็มามองใจตัวเองเหมือนกับว่า ธรรมะพระอาจารย์คําสอนพระอาจารย์มันอยู่ในใจอะค่ะมันก็เลยปัดปัดได้เร็วดับได้เร็วนะคะพระอาจารย์เพราะมันก็เฉยไปเลยอะค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ค่ะสก็เพียนเพียนตอนนี้เพียนตั้งสติแล้วก็เพียรหยุดหยากนะคะพระอาจารย์มันก็เป็นการค่ะมันก็เป็นการเพิ่มสมาธิไปในตัวแต่ก็พยายามนั่งมัน ตอนนี้เวลานั่งเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเองคือคือสติมันมันอาจจะยังไม่มากอย่างอย่างที่พระสาวให้ให้ฝึกมันช่วงช่วงมันจะสั้นๆ น, น่ะคะ่ะภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าตัวเองนั่งคุยนั่งนั่งคุยเหมือนกับตอนส ม, นมาสมทธิปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นตัวเองนั่งคุยพอนั่งคุยก็กลับมาดึงสติเสร็จแล้วก็นั่งคุยอีกมันมันเป็นอยู่สามครั้งก็มามาตอนนี้ต้องเพิ่ม การมีสติขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์เออดีแสดงว่าอย่า ง, งา น, ปปนั้นเราไม่รู้ปัญหาเราแล้วว่ามันอยู่ที่ตรงไหนเอค่ ะ, ะดีปฏิบัติไปเจ้าค่ะก็เพียนเพียนตามที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะอาจารย์ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเนี่ยสตัวนี้นะเออค่ะขอพอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์เไปที่คุณหมอสุทัศนีต่อหมอสุทัศนี ยังไงตนนีน้ปิดคลินิกก็เป่าน้ตไม่อยากเปิป ด, ดอีกตอนนี้ปิดะคอ่าถูกได้ เ, เชิญอาจารย์ได้ยินไหมคบได้ยินอยากประทุมธานีอาจารย์ได้ยินไหค่ะบได้ยินได้ยินชัดเจนวันวนี้ลูกมีคาถามค่ะไปเรียนปรับเปียนอาจารย์ว่าช่วงนี้ปิดคลินิก ปิดทาการชั่วคราวก็ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะเพือคอัจนท์ค่ะขอบพระคุณพ่จัน์ค่ะสาธุสาธุค่ะเดกชายเือสิทธิกรมารีใช่ไหมกรมาลีเชิญอันนี้อยู่ที่ไหนกรุงเทพแล้วอยู่ที่นนท์นครนนทอ หลวงพ่อเขาวันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําถามเพียงแต่ว่าหนูไปฟังเทปเก่าหลวงพ่อพูดอะคะ่ะบอกหบองว่าฝึกสติมันยากตรงไหนพิจารณาปัญญามันยากตรงไหนฝึกสติใช้แค่เอพุอโทโธคําเดียวก็ mm hmm. วจริงอย่างหลวงพ่อบอกแล้วอย่างอย่างฝึกเ อ, อปัญญาก็ให้เห็นไปรักแค่สามคำหลวงพ่อเขามันมันฟังง่ายกระชับแต่ว่ามันทํายากเหมือนกันนะคะหลวงพ่อ มันทำยากข้อไก่ข้อไก่ไม่ต้องมียี่สิบกว่าตัวยังทําได้นะฮะสามตัวนี้สี่ตัวนี้ทําไม่ได้แล้วหนูก็จริงของผมพ่อปอกเออแล้วทําไมถึงไม่ได้อะไรเงี้ยฝึกสติก็พูดโธรพูดโธเวลาจะโกรธจะโมโหจะอะไรก็พุดโธรพูดโธมันมันก็สงบลงแล้วพอมาถึงตรงปัญญาอันนี้จังมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์แล้วมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอมาฟังเงี้ยมันเหมือนมัน อมันเหมือนแบบเหมือนอะไรมันเปิดขึ้นมาบอกเอออย่างที่หลวงพ่อพูด่ะถูกเนาะแต่ว่ามันทํายากแล้วทีเนี้ยพอพอหนูไปมองว่าไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นไตรักรเนี่ยมันก็มองมองทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งบ้านท่องของของใช้อะไรเงี้ยทุกยอกย่างทุกอย่างใช่ไหมูสัมผัสด้วยตาโอ้จมูกนิกานี้เป็นไตรักเนาะอ๋อใช่จริงๆเพราะชั่งใจด้วยภายในใจเราก็ไตรักเหมือนกัน ค่ะหลวงพ่อพอพอมาคิดตามคําหลวงพ่อแล้วแบบเออจริงแล้วมันก็รู้สึกว่าเราเหลือมสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อตหนุก็พยายามอยู่นะคะหลวงพ่อปฏิบัติทุกวันพยายามอยู่ค่ะพอมาเจอคําที่มันสั้นๆแล้วแบบเออมันมันต้องได้แล้วหลวงพ่อบอกว่าคนเราทุกคนมันก็มีโอกาสที่จะเดินไปถึงตรงนั้นได้อะไรเงี้ยหลวงพ่อหนูก็พยายามอยู่ค่ะหลวงพ่อยพยายามเนี่ยนะพุโทโธกับตายรักเนี่ยจะพาไปถึงนิพพานได้ คแล้วหลวงพ่อเออมีคนถามหลวงพ่อว่าแล้ว ม, มันมันที่ปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยมันจะสูญไหมมันจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ศูญมันไม่ศูญใช่ไหมคะหลวงพ่อมันทำอะไรได้มันก็จะติดไปกับเราชาติหน้าก็ทําต่อน<ล>ีไ ม, อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นเทวดาก็ทําได้ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อตอนนี้หนูก็พยายามพยายามอย่างมากๆแล้วแต่ว่า มันยังไม่ไม่ไม่ได้เยอะอะค่ะไม่ไม่ประสบความสําเร็จยังไปไม่ถึงตรงนา้นเท่าไหร่มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี้ยค่ะยก็ทําไปเหมือนกับเราเพิ่งเริ่มออกเดินทางเนี่ยน้อมน้อคุกคานบ้างอย่ย่หยุดเดินทาง้าเนี๋ยก็ไปถึงจุดหมายปลายทาง่างค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะแข่งขึ้นจะวัยขึ้นจะดีขึ้นอะไรการปฏิบัติแม่ก็จะชํานาญขึ้นผลมันก็จะมากขึ้นไปตามลำดับอย่างค่ะ รู้สึกว่าเราคิดตามที่หลวงพ่อสอนมันรู้สึกว่าใจเราเหมือนมันวางได้ค่ะหลวงพอ่อมันคือทุบไปมันก็แก้อะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยพอพอมาคิดคิดพิจารณาตามอย่างเงี้ยเออมันจริงแนละ้วเราก็สบายใจขึ้นค่ะหลวงพอ่อก็ปล่อยปล่อยไปตามสภาพของเขาอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้ว <Hey. S 1> แล้วอย่างทางกายที่หนูนั่งนั่งปฏิบัติ หนูชอบนั่งมากกว่าที่จะไปเดินเนี้ยค่ะหลงพ่อมันที่ที่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องขาเรื่องอะไรเงี้ยหนูก็เปลี่ยนอินยาบทแต่ว่าพอมันพอมันไม่เป็นเยอะเงี้ยหนูก็กลับมานั่งมันสงบมากกว่าที่ที่หนูจะไปเดินหรือไปอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อได้ถ้าถ้านั่งมันจะสงบกว่าถ้าเดิน อ, อยู่แล้วเป็นแต่ว่าบาที น, นั่งกายมันนั่งไม่ไหวก็ต้องขึ้นมาเดินเปลี่ยนอินยาบทเท่านั้นเองวันเทา่าหนูก็ สลับแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําอะไรค่ะหลวงพ่อก็นึกถึงที่หลวงพ่อเทศสอนหนูก็จะจําเอาไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อการทุกข์ค่ะฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆจะได้มีมีแผนที่บอกทางเนี่ยค่ะเหมือนกระจ่างไปทีละจุดทีละจุดค่ะหลวงพ่ออ่าเนี่ยขยันฟัเทศขยันปฏิบัติแล้วรับประกันได้ว่องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน สาธุข้าหลวงพ่อหนูปากท่านสาธุค่ะจะพยายามค้าหลวงพ่อค่ะ <Okay. S 2> ไม่ทิ้งค่ะสาธุค่ะท่านต่อไปคนเป็นดีเชิญหลวงเทพเชิญคนเป็นดีครับกับนวัตการอาจารย์ครับวันนี้อยู่ชัยภูมิครับท่าน oh. พอาจารย์ครับ hmm. ครับก็เข้ามาฟังเฉยๆครับพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคําถามครับไม่มีครับขออ น, นุญาตท่านต่อไปเลยนะครับ คุณทนท่านครอยู่ขอทํามะกลับมาพิสการครับผู้อาจารย์ครับพิสการครับมีมมอะไรไหมวันนี้มีมมครับวันนี้นอนเลยนว่ามาเลยกับคำถามคืออย่างนี้ครับคือเออ่มีอยู่ช่มีอยู่เช้าหนึ่งครับปรดีว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่งพอน่ะครับแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่า เออมันก็มันจิตมันรวมแล้วนะครับแล้วก็เราก็เห็นอาการที่ว่าไอสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเป็นสิ่งปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะอยู่รอบรอบรอบนอกเราแล้วเอ่อมันก็เหมือนกับจิตเราถอยเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็จะเห็นอาการที่ว่าเราไม่ไม่ไม่สนใจกับสิ่งปรุงแต่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยครับแล้วมันก็จะถอยเข้ามาเรื่อยๆถอยเข้ามาเหมือนกับถอยถอยหลังเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเข้ามาจนถึง จนถึงข้างในในในในตัวเราเนี่ยนะครับอรเนี้แล้วมันก็มีอารมณ์หนึ่งขึ้นมาว่าเออวันนี้ทำไมวันนี้กำลังสติเราดีจังเราตัดอะไรทุกอย่างได้หมดปุ๊บเหมือนกับอะไรขึ้นมาที่มันจะเป็นความฟุ้งซ่านเป็นอะไรเนี่ยเราตัดได้ตัดได้หมดโดยไม่ต้องนั่งภาวนาอย่างเงี้ยครับแล้วก็นึกกระยิมนึกกระยิมว่าเ อ, อทำไมวันนี้กำลังดีแต่ว่าปุ๊บหนึ่งขึ้นมาเอา้านี่เรากำลังหลงอยู่หรือเปล่า คือน so ี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆเนี่ยเราโดนกิเลสหลอกหลอกอีกหรือเปล่าว่าว่าเราสามารถจะตัดไอ้ไอ้พวกสิ่งที่มันเป็นสิ่งปรแต่งพวกนี้ได้อะครับมันไม่แน่ใจเนยครับก็ต้องดูไปเรื่อยระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มากเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของเราครับอย่าชะล่าใจกันแล้วกันก็ก็เลยมานึกถึงถึงว่าตอนนี้เราคุมมันได้นะครับได้ครับ คุมมันไปเรื่อยๆครับเปัญหถ้าคุมไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจอย่าไปเพ้อสัญญาว่ากําลังที่คุมมันมันหมดคือสติเราก็ต้องมาเพีสร้างสติขึ้นมาใหมา่วันนี้ไฟดับพอดีอาจารย์ติดแล้วไมัมนดับตราวนี้ก็เลยไปนึกถึงว่าเอ๊ะอาการที่ที่เรียกว่าเป็นวิปัสสุกิเลสเนี่ยที่เหมือนว่าเรารรหลงคิดว่าเราเราทําทําได้แล้วเนี่ย มันมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับก็ถ้าเริ่มปล่อยให้มันคิดอย่างนี้ก็อาจจะมันไม่แน่หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของการสอบสอบตรวจสอบอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นวิปัสสนาการที่ไปคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่มีอะไรมายืนยันนอกจากความคิดของเาเนี่มันก็จะเริ่มปเป็นวิปัสสนาได้อ การที่จะว่าเป็นอะไรเป็นผลอย่างนั้นหรื น, นี้มันต้องมีอะไรมายืนยันเช่นตำราหรือกูบาชคําสอนของกูบาอาจารย์ที่อยู่ดีๆเราเลือกคิดขึ้นมาเองว่าตอนนี้เป็นโสดาแล้วตอนนี้เป็นสกิคาแล้วอย่างเงี้ยถ้าโดยที่ไม่มีเหตุผลมารองรับคือสัมโย ต, ตายไปด้วยอย่างเป็นโสดาเงี้รยรั่นมันมันถึงจะเป็นวิตัสสนุปเป็นมา อการที่เราเริ่มมีความสงสัยบ้างนี้มันก็เป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดาเป็นความระมัดระวังก็ได้ครับเห็นแต่ว่าในขณ ะ, ะที่มันสงบแล้วก็อยากก็ควรจะหยุดความทิดเหล่านี้ไว้ดีกว่าให้มันสงบไปนานๆดีกว่าครับตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่เราต้องมาสงสัยเพราะความสงบนี่เป็นของของจริงของแท้ของถูกต้องอยู่แล้วไปสงสัยอะไรทำไมกันเลยครับอ เาใจไหมเข้าใจครับก็จริงๆก็คือเราก็ต้องเหมือนกับเราตรวจสอบตัวเองไปเรื่อยๆครับซึ่งก็จะว่าเราไปว่าร่ำดแต่ว่าเราไปคิดว่าตอนนี้เป็นนิพพานแล้วมั้งถ้าอย่างนี้เราเป็นวิปัสสนุแล้วเออแต่แต่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นคิดในลักษณะว่าก็ไว่าไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยครับคราวนี้อันนี้จะกลายเป็นก็เขาจริงมันมันเป็นหรือเปล่าอะไรกันนะมันเป็นความจริงมันเป็นยังไง อืมทนที่มันเป็นก็เป็นเลยแต่ว่ามันจะยั่งยืนถามวรหรือไม่เท่านั้นเองมปันแบบชั่ชวครั้งชั่วคราวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เกิดไปมีปัญหาไปเรื่องมปเรื่องเมื่อไวันพรุ่ง น, นี้ถึงขึ้นมาก็ไม่เป็นเหมือนวันนี้ก็ได้ครับใช่นั่นก็ต้องพิจารณาว่าการปฏิบัติของเรายังไม่เทีย่ยงยังไม่เสถียรับรับบกสติเรายังไม่เทีย่ยงก็สร้างสติขึ้นมาใหม่เท้านั้นเ อยาพยายามให้มันเป็นอยากไม่ได้ยิ่งอยากให้มันเป็นยิ่งไม่เป็นไงให้รู้ว่ามันไม่เป็นเพราะขาดสติก็กลับมาเติมมาสตินะครับอาจารยนะก็ใจครับโอเควันนี้คุณมีําตายไว้ไม่ไดเจ้าค่ะวันนี้คนเยอะเมื่อกี้เห็นโอเคยังมีเวลาเดี๋มีรอบสองถ้ายังมีเวลาเหลือเอย่างนับเจ้าค่ะขอบพระคุณครับเป็นที่ดัมเตาเมลิวันเห็นนั่งรออยู่นั่งดับเตมมมลิวันเชิญ เปิดไมค์ก่อนต้องเปิดไมค์ก่อนนิ้วไมโครโฟนค่ะกาบกาสวัสดีพร้อาจารย์ค่ะคือยู่ที่นอยู่ที่กรุงเทพค่ะอยูออ่แถวแถวมห า, มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ค่ะค่ะคืออยากจะแกบวบียนถามพระอาจารย์ว่าคือที่บ้านมีเลี้ยงแมวแล้วทีนี้แบบว่ามันมีต้นไม้ บนต้นไม้เนี่ยมันจะมีรังนกซึ่งเขาเพิ่งจะเริ่มทํารังอนะคะแล้วก็แมวเราก็จะขึ้นไปจับนกอ่ะเราก็เลยคิดว่าแต่ว่ารังเขายังไม่ได้มีอะไรนะมีนิดๆหน่อยๆมีเราก็ช่วยเราอยากจะตัดกิ่งไม้ตรงนั้นไปเืซอเพื่อไม่ให้มันมาเจอกันแบบว่าแมวจะไปกัดนกอ่ะค่ะว่าที่บ้านเนี่ยแมวมันจับนกหลายครั้งมากบางทีโยงก็ไล่ทันโยงก็ไล่ไม่ทันบางทีก็แมะบางทีนกก็ตายบ้างบางทีนก็ รอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็จะตัดกิ่งไม้ที่มันมีรังนกที่ยังไม่ได้มีตัวไม่มีอะไรเนี่ยเราจะเป็นบาปหรือเราจะแบบไม่เมตตาไม่อะไรไหมคะนั่นเสียเรามีาเมตตาเราไม่อยากให้แมวไปกินกินนกที่อยู่ในรังแต่ตอนนี้เข<ล>าไม่ได้วางถาเราไปตัดกิง่งไม้รังมันก็พังไปมันก็ไม่มีที่อยู่าอาศัยนั่นแก้ปัญหา อันหนึ่งก็ไปสร้างปัญหาอันหนึ่งมันชื่วยอยู่เฉยดีกว่าไว้เป็นไปตั้งเป็นไปตามบนตามกรรมของสัตดีกว่าออนอกจากว่าจะแก้ปัญหาได้แล้วไม่มีปัญหาตามมาก็แก้ไปอืเช่นย้ายย้ายลังนกไปอยู่ที่อื่นได้ไหมล่ะไม่ได้ก็จะเป็นกรรมของนกที่ไปมาสร้างสร้างสร้างรังตรงนั้นแล้วก็เป็นกรรมของแมวที่จะไปกินกินนก มันก็เป็นเรื่องของกลับของสัตว์ไปนอกจากเราครั้งครั้งแมวไว้ในกรงได้ไหมล่ะไม่ได้ถูกเชือกคล้องคอไปไม่ไม่แห้งไปแล้วมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราก็เห็นว่านกอ่ะนกเนี่ยถูกถูกแมวเร า, ากัดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะทําบุญให้เขานะวันรุ่งขึ้นเราก็ยงก็ไปถวายสังฆทานที่วัดแล้วก็บอก อุทิศให้นกที่ถูกแมวเรากัดนี่อย่างนี้เขาจะได้ไหมคะหรือว่าหรือว่ายัางไงคะอ๋อไม่แน่นะแต่จิตเขรามารรับฝนมันแบบบางทีก็จะพ้นกรรมแล้วก็ได้ก็อาจจะไปเป็นอย่างเป็นมนุษย์อะไรไปอย่างอื่นไปก็ได้ค้าให้นสนับสนุนเข้าไปอก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมดีกว่าบทจิตให้เป็นอูเบกขาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของต้นจะทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่ว จะต้องไปพูดรับผลของกรรมนั้นคแต่เขามีบุญแม่อาจจะไม่ไปกัดก็ได้แม่อาจจะไปทักทายเป็นเพื่อนยันก็ได้นั่นเราเราฝึกจิตเราที่ถ้าเราทํไม่ไดวางวางอุเบกขาถ้าเราทําให้มันเกิดประโยชน์ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องก็ต้องวางอย่าไปยุ่งกับกรรมของของผู้อื่นเขาครับ การเยียนถาม อ, อีกอีกข้อหนึ่งนะคะอาจารย์คือบอดีลูกลูกสาวอะคะ่ะเป็นเป็นหมอแล้วก็คือแบบบางทีเนี่ยเราก็มีคือเขาก็คนไข้ก็เป็นโควิดเป็นอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เป็นห่วงลูกนะคะแล้วมันก็แบบบางทีเราก็รู้สึกว่ามันฟังอะไรมากๆากเขา้วเรารู้สึกว่าจิตใจมันห่อเหี่ยวะคะไม่รู้ว่าที่เราจะไม่ฟังเลยเราก็รู้สึกว่าเรามัน คือเรารับข่าวสารมากจนเรารู้สึกว่ามีความเครียด ม, มีความอะไรอย่างนี้นค่ะอันนี้อันนี้คือแบบไม่ดีใช่ไหมคะคือเราไม่ควรที่จะไปรับรู้อะไรหรือว่าเราควรจะวางเวรคถาว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกรรมอย่ที่ท่านพระอาจารย์ว่างรับได้แต่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ข่าวสารที่เราฟังด้วยว่ามันมีมูลไหมรับแต่เลือกเอาแต่ข่าวสารที่มันมีมูลมีหลักฐานการวิจัยแล้วก็เป็นรับเจอมาก็ารู้เลย <c oughs> ว่าข่าวรู้มัน อันไหนที่มันมีดับมีเกณฑ์นึกความนึกรูปแบบแบบตื่นมงคลมงคลตื่นข่าวอย่างนี้เลยก็เราก็ต้องจักแยกอย่างเงี้ยมันรู้ท่วงได้แต่ถ้ามีประมาณพอรู้สึกว่ามันเริ่มเทียบก็หยุดตักสักหน่อยก่อนแสดงว่ามันมากเกินไปนะมากเกินกว่าที่จิตจะรับได้ถ้ามันทําให้จิตเราวุ่นวายก็แสดงว่ามันมันไม่ถูกอะควรพักพักจิตด้ว มาให้จิตสงบสบายแล้วอยากจะรับรู้ข่าวสารต่อว่าค่อยกลับมาตอบเลยแล้วกลับกลับเรียนถามผ้าจานอีกรอบหนึ่งนะคะคืออีกครั้งคืออย่างเวลาที่บ่ายสองที่มีเทปพระ้าจารย์จะมีโอกาสไหมคะว่าพระ้าจาย์จะแบบว่าเป็ น, ปนสดแบบทางทางซูมอะไรแบบนี้ในเวลานั้นไหมคะหรือว่าก็ต้องราให้มันโรคระบาดนี้มันบไปก่อนแล้วมีคนแบบฟังธรรม หนึ่จะแสดงทรรมสนได้ตอนนี้ก็าเอาซูมตอนเกิดวาระพุทนี้ไปก่อนก็แล้วกันขอบค่ณศาสตราจารย์ค่ อ, อเหมือนกันค่ะคุณเอกกาลักเซอเอสิบเชิญคุณกาลักเซอเอสิบได้ยินไหมา ก, กาลักเซอเอสิบเห็นเปิดไมโครโฟนแล้วแต่ไม่มีเสียงแสดงว่าเข้ามาผิดทางก <emot S 2> ็ได้ยินไล้เดี๋ยวนะ คุณก a l ล็กซี่สิได้ยินเราไหมครับไม่ได้ยินแสดงว่าใหม่ไม่ทำงานใหม่ลำโพงไม่ทำงานเวลาเข้ามาคงไม่ได้กดอนุญาตให้ฟังทําเสียงได้คุณต้องอาจจะต้องกลับเข้ามาใหม่นะคุณก a l ล x กซี่ว่ไม่สามารถสื่อสารกับคุณได้ไปที่คุณทีนเบคุณทีนเบียเชิญ สวัสดีครับอาจารย์อยู่ที่ไหนครับผมชื่อเทียนเรียนชื่อไทยก็เสถียนอยู่ที่รัฐไซบูรีเคด า, มาเมลเซียครับใช่ฟัง <ผม S 2> อาจารย์พูด <c oughs> แต่ผมก็ฟังที่เพจปุ๊กนี่ครั้งที่สองที่สามที่ผมเข้ามาใน zoom ครับ <c oughs> มาดีนะเข้าทางช่องภาษา <c oughs> อังกฤษใช่ไหมไม่ผมเข้าทางภาษาเกฤษภาษาไทยเนี่ยหล น, น, นี่ตอตอนนี้เข้าใน ไม่รู้ช่องวิภาษาไทยนะครับอาจารย์ช่องภาษาไทย <c oughs> มีคำถามอะไรไหมผมปฏิบัติไปก็ลุกขึ้นตอนตีสองตีสามทุกวันนะปฏิบัตินั่งนั่งสมาธิแล้วก็ท่องพุโทโธดูลหมหายใจไปทำไปทุกวันนะอาจารย์แต่ผมยังมีคำถามอยู่ของ ของที่ไม่รู้คดได้ยินเขาพูดว่าเข้าสมาธิเข้าสมาธินี่ผมไม่รู้เขาจะไม่เข้าใ จ, จสักทีก็เวลาจิตสงบก็แสดงว่าเข้าสมาธิถ้ายังไม่สงบยังไม่นิ่งก็ยังไม่เข้าแค่เร า, านั่งพุโทโธพุธโทโธไปดูลมไปนี่ยังไม่เข้าพอจิตเข้ามาจิตนิ่งสงบปั๊บพุโทโธก็หยุดไปนี่แสดงว่าเข้าสมาธินั่นแหละผมนั่งได้นานๆน่าจ๊ะประมาณ ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งบางทีก็บางทีเราหมายใจก็หายไปอย่างเงี้ยแต่ยังเข้าไม่ได้ยังไม่แน่นอย่างยังไม่สนุกช่ไหมคว่าเข้าสมาธิจริงๆมันมันรู้สึกยังไงครับอาจารย์มันเบามันสบายมันสุขไม่ต้องคิดมันไม่คิดตุงแต่งสัจธรรมรครับครับครับนะมันเย็นสบายมันไม่มีอะไรมากดดันจิตใจตอนนั้น ไม่ต้องพูดโทไม่ต้องดูลมอยู่เฉยๆได้ยงมีความสุขผมก็อยู่อย่างนั้นนะครับอาจารย์จะไม่รู้ว่าพูดไม่รู้มันเข้ากับมาที่หรือยังผมก็นั่งเฉยๆก็นั่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปรู้ก็ได้คอยมันเฉยๆได้แล้วกันแล้วมันมีความสุขก็เปล่าผมก็มีความสุขครับนั่งจนกว่าตะวันขึ้นผมก็ไม่รู้สึกอะไรครับเฉยๆไม่หลับนะรู้สึกดูตลอดเวลานะไม่หลับไม่หลับครับอาจารย์โอเคก็ใช้ได้ สมาธิเขาแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันร0อยเกเซ็นตผมกอนสมาธินี่ผมก็สวดมนต์ตอนที่นั่งอะไครับอาจารย์สวดมนต์เป็นหนึ่งรอบแล้วลงไปถึงโอสุดท้ายก็ลงที่พุโทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธต่อไปเลยหยุดไปเลยจนหายใจก็หายไปไความคิดก็หายไปหมดใช่ครับอ่าก็ใช้ได้หายไปหมดทุกอย่างเขาว่าครับ แล้วผมก็ไม่พอยุงหอนนาไม่เวลามันว่างล้วอยู่ได้นานนหมผมอยู่ได้ประมาณจนครึ่งชั่วโมงช่วงหนึ่งก็ไม่แน่ครับอาจารย์ผมไม่เคยดูนาฬิกาครับได้ไม่เป็นไรอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็อยู่ไปโอเคนี่กี่ว่าใช้ได้ไม่ไม่ไม่ผิดท่าก็เอาเอาคํานั้นที่อาจารย์สอนบอกว่าทําไปเรื่อยเอง มันอาจจะยังเข้าไปไม่ลึกเต็มที่ก็ได้ทำไปเรื่อยๆอาจจะต่อไปจะเข้าไปลึกกว่านี้ก็ได้ผมพยายาจะเข้าลึกให้ได้ล่ะอาจารย์แต่ไม่รู้มันไม่รู้จะเข้ามาอะไรก็ต้องอยู่ที่สติอยู่ที่พุทโธอย่าเผลออย่าเผลอสติให้มันต่อได้หรอกการเดินจงกรมเนี่ยผมก็บางทีผมก็ออกไปเดินเดินบนถนนเนี่ยผมเดินได้หกเจ็กิโลเดินพุโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเดินเดินเดินไปเรื่อยๆจนจนเหนื่อย ได้ได้ขอใหอย่าไปคิดอะไรแล้วการปาเด่นใหอยู่กับพุทโธอย่างเดียวนั่นแหละครับผมก็ทําอย่างนั้นเช้ากับตอนนี้ออกกําลังกายอย่าผมจะรู้สึกว่ามีกําลังเดินแล้วไม่เหนื่อยมีตไม่เหนื่อยครับไปเพราะเราไม่ได้คิดว่าระยะทางมันจะไกลหรือไปไม่ไกลเดินไปเรื่อยๆพุทโธไปชีตาเก้าวชีละเก้าพุทโธพุทโธไปครับอืมถูกต้องครับทไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยันนี้ก็ยีทนมันจะก็จะเกิดขึ้นมาเองนะครับครับครับผมฟังอาจารย์อยู่วันละอาิตย์ละสองสามครั้งนะครับนอกจากนั้นก็ไปฟังของหลวงตามาหลายสิบปีแล้วครับอาจารย์ดี่เราไปเรื่อยเป็นการดูแผนที่ไปในตัวครับครับครับอนี้นะหมดได้ใช่ไหมครับครับหมนแล้ครับแค่เล่าเรื่อง โควิดในมนเเาเลเซียถ้าอาจารย์จับฟังเอาสั้นๆก็แล้วกันเวลาไม่คมีตอนนี้มีคนประมาณหนึ่งวันนี้มีหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนครับอาจารย์ตายหนึ่งร้อยกว่าคนทุกวันนะครับถึงหนึ่งแสนเลยอยนี้ถึงหนึ่งแสนแล้วเน่วันในวันวันนี้วันเดียวก็มีหนึ่งหมื่นตอนหนึ่งหมืนกับกพอกับเมืองไทยเมืองไทยก็เก้าพันเออครับ หมื่นกว่าแล้วหมื่นสามแล้ววันนี้อ่ามากกว่าเมืองไทยนิดหน่อยครับครับตายก็วันละร้อยกว่าร้อยกว่าแล้ววัคซีนก็ประมาณฉีดแปดเปอร์เซ็นต์นนั้นเองครับอืรักษาตัวเราเองก็แล้ว ก, กันตัวใครตัวมันเน่ย น, นะครับผมในบ้านนอกผมก็สบายผมไม่เป็นทุกข์กับโควินด น, นิดตรงนี้ครับอ่าไม่จำเป็นก็ยาออกไปข้างนอกอยู่ที่ปลอดภัยไปคุกคีกับคนที่เราไม่รู้จักไม่ผมไม่ค่อยจะคุกคีกใครครับ อ, อใส่หน้ากากใส่หน้ากาก คุณสนมากเจอใครใส่หน้ากากไหมใส่แนครับครับผมไม่ค่อยเป็นทุกข์กับเรื่องนี้ครับคนอื่นก็ฆ่าตัวตายกันเยอะแยะแต่ผมไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนี้ครับอาจารย์ดีแสดงว่ามีปัญญาครับครับอาจารย์แต่โอเคนะขอบคุณมากอาจารย์นี่ต่อหน้าครับอ่าคุณปรางอะไรต่อศิราชาหรือมัณฑนเพอกับมรดการค่ะพระอาจารย์ เมื่อเมื่อสองสองวันที่ผ่านมายมได้วัคซีนแล้วนะเจ้าค่ะได้ฉีดได้เละได้ฉีดแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ที่ชนบุรีค่ะต้องไปเข้าไปฉีดที่กรุงเทพยังไหก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะก็เหมือนที่พระอาจารย์เคยบอกเพราะที่ยมเคยเครียดเรื่องที่ไม่ได้วัคซีนพระอาจารย์บอกว่าถึงเวลามันจะได้ก็ได้ก็ได้ตามที่พระอาจารย์ได้เคยพูดสอนไว้เลยค่ะค่ะทีนี้ยมยมมีคําถามอย่างหนึ่งคือ เมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนยมยมนอนแล้วตื่นขึ้นมาปวดหัวน่าจะเป็นที่นอนผิดท่าค่ะทีนี้พอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลองกําหนดกําหนดคําว่าปวดหนอค่ะเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆ เ, เคยใช้คํานี้บ่อยแล้วเวลาเราปวดเนี่ยเราจะหาย อ, อันนี้มันคือการกําหนดให้เรารู้เรื่องความทุกข์หรือว่าการกําหนดให้เรารู้ว่าจิตแยกออกตัดไกาเจ้าคะเป็นการกําหนดจิตไม่ให้ไปฟุ้งซ่านกับความปวดของร่างกาย ให้ปล่อยวางความเจ็บปวดด้วยในการฝึกสติมันพุโทโธพุโทโธอ๋อก็คือการแยกแยกความรู้สึกหรือแยกจิตออกจากกายไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าให้รู้ว่าตอนนี้เรากําลังปวดหรือเรากำลังทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของความปวดต้องไม่รักคือไม่ให้ไปสนใจกับความปวดของร่างกายเพื่อจะได้ไม่ไปมีความอยากให้มันหายปวดมันจะได้ไม่ทุกข์ใจอืมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะโอเคค่ะ นะคุณเมล็ดเมล็ด ก, การทำเมล็ดกาบนักมาตสกาหลวงพ่อครับเอ่ออันนึงครับสัตสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตเนี่ยเป็นพบภูมิที่ต่ากว่ากันเหรอครับหลวงพอ่อก็อยู่ในระบายเนี่ยมันพวกกลุ่มเดียวกันเพีแต่ไม่สูงต่ำเหมือนแถวดาีหลายระดับมีดาวัน ม, มีดุสิตมีอะไรกรัพวกพวกที่ทาบาปผ้านอนเนี่ย ก็ไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างไปนระกบ้างเป็นเนรชานบางขึ้นอยู่กับเหตุของการกระทําครับหลวงพ่อกานที่รักษาศีลจนเป็นปกติมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเรามีความสุขในการรักษาศีลด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ศีลนําความสุขมาให้กับผู้รักษาเพาะจิตไม่ไปทําบาไม่ไปทําไปสร้างปัญหาให้กับผู้อืมันก็เลยทําให้ใจเราสบาย ถ้าไปทำบาปก็ใจมันจะไม่สบายกันมาทันทีจริงครับเพราะทุกวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขกับการรักษาสีลตัวเองจนแล้วก็การทําสมาธิภาวนาบ้างก็รู้สึกว่าก็ต้องพยายามมากมากขึ้นไปเพราะว่าถ้าเรากลัวการเกิดเพราะการตายเป็นเรื่องปกติให้เรากลัวการเกิดเข้าไว้ว่าการเกิดมันจะมีเป็นความทุกข์ตามมาเป็นขบวนเลยอย่างนี้ครับ ดุดด้ามดุดด้ามพยายามตัดพยายามตัดภกชาติในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเสียงหายไปไม่ได้ยินเสียงเลยอืมโอเคครับก็ฟังทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รู้สึกเออเรานี่ถ้าไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราค ง, งโง่อีกนานเลยนะทั้งที่แบบเรื่องบางเรื่องมันมั น, มนไม่ได้เกินสติปัญญาแต่เราคิดไม่ได้ อะไรแบบนั้นนะครับหลวงพ่ อ, อมันฉันผมบางภูเขาเ่ไม่ไปคิดถึงมันมือนกัมันเหมือ น, มนกับมันไม่ไม่ไม่ไมีรับก็ไม่เป็นไรขอเราถือว่าเป็นบุญวองเราที่ได้มาเกิดมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในภพในชาตินี้ก็สราบถึงดูตักดวงผลประโยชน์จากการมาเกิดอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปับ อ่นพุทธอะไรอ่านพระชาดกของพุทธเจ้าก็ราบซึงมากพุทธเจ้าไม่ได้เอาชนะคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าเอาชนะพระโพ ธ, ธ, ธิสัตท่านเอาชนะใจของตัวเองในทุกๆุกชาติชนะเก่งแับชนะความโลภความโกรธความงวงาลงงขอตเหนะื่อยก็ราบซึงกับหลวงพ่อครับนที่อาจารย์สายทิพย์คอนแกนไม่มาสารคาะเลยวันนี้ วันนี้อยู่สารคามค่ะพระอาจารย์กับนวัตการพระอาจารย์คะ่ะมีเรื่องมีเรื่องจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือตอนนี้ไปเรียนครูไม่ใช่ไปเรียนอักษรสมาธิค่ะของพระหลวงปู่วิทยังทีนี้ท่านให้ให้ให้คำทีิถามจิตแลให้พุโทโธที่แบบที่เราจะตั้งเป็นฐานจิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเคยใช้แบบ ดูลมหายใจเราก็เลยแบบเอาไงดีเนาะเพราะว่าเคยทํามาตลอดแต่แต่หลวงปู่ก็บอกว่าต้องมีฐานจิตร ต, รตรงไหนตรงหนึ่งเฉพาะเท่านั้นแต่ว่าไม่มีที่จมูกค่ะก็ะเลยเออเราจะทําต่อหรือเราจะยังไงดีเพราะว่าเราก็ชอบดูลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะก็ะเลยจะมาเรียนทำฝึกะอาจารย์ว่าหนูจะทํายังไงดี อแล้วเขาว่าฐานจิตอยู่ตรงไหนนะฐานจิตนะเขาบอกว่าฐ า, า, านจิตนี่ที่หน้าผากมีท่าหน้าอกด้านซ้ายมีที่สะดือขันแล้วก็ถ้าเกิได้ก็ดทั้งหน้าอะไรเงรีง้ยค่ะมก็เลยเออถ้าเราไม่ทําตามก็เหมือนเขา้าเข้าโรงเรียนแล้วก็ไม่ทําตามคุณครูก็ไม่สบายใจถ้าจะแบบไปรายงานว่าเราทานนําสมาธิเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงอะไรเงรีง้ยค่ะแต่ว่าหนูตอนนี้ก็ก็ทําฐานจิตแดงแดงที่ ที่ที่ท่านสอนนี้แหะค่ะแต่ว่าเราก็ใจเราอยากจะมาดูลมหายใจมากกว่าเพราะเราทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะก็เลยเอาอย่างงี้ก็เวลาไปเรีก็ทําตามก็เวลากลับมาบ้านก็ทําตามเราก็แล้วกันคิดเหมือนว่าอาจารย์เลยค่ะงั้นไอ้หนึ่งชั่วโมงเนี้ยทาตามหลงๆไม่ได้ยาแค่ชั่วโมงเดียวทําตามไปอ ใช่ไหมคะแล้วเราพิจารากันว่าทําำแล้วไม่ได้ผลก็งั้นไม่อยาไปทําด้วยแล้กันถ้าทําล้วไม่ได้ผลก็กลับมาทําแบบของเราต่อไปออค่ะก็เลยก็เลยเอาเข้าโรงเรียนแล้วถ้าไม่ทําตามคุณครูก็ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ขัดแใจเองว่าเอ๊ะเราก็เคยอ่านหนังสือมาว่าถ้าเป็นดูลมหายใจมันจะได้สมาธิที่ที่แบบไปไปได้หลายๆอย่างนะคะ ทำไมม่เรียนทำไมไม่เรียนกับพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าบอกให้ดูที่ปลายจมูกอ่อาเนี่ยค่ะก็เลยเหมือนเราไปนุ๊ยักยิบยักยัยังอยู่ค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะหรือเราจะถอยไปขอญาตเขาว่าอ่าถ้าถ้าก็คือเขาเข้ามาฟังธรรมเฉยๆมามาเอาความรู้แต่ว่าไม่ไม่ปฏิบัติแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขามีสร้างเป็นห้องย่อยค่ะอาจารย์ว่าอยู่ในกลุ่มนี้แล้วให้งาน อการบ้านได้หน้าอะไรเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าจะออกมาตอนแรกก็เอ๊ะแลเขาจะเสียใจไหมล้วอยากจะสังคมมากกว่ามากเราอยากจะสังคมมากกว่ามากอไม่พบปะคนไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าหนูจะพยายามตอนนี้คือไม่ไม่ได้สนิทกับใครเลยค่ะแค่เข้าไปแค่บอกว่าเราทำอะไรเราไม่ติดสัมพันธ์มากเพราะว่ามีประสบปฏิสัมพันธ์มากแล้วมันเหนื่อย หนูไม่ไม่เอาเรื่องของสังคมแล้วคะ่ะเพราะว่าเข้าไปแล้วเหนื่อยอันนี้ก็คือเข้าไปเพื่อเรียนรู้อ่คําสอนคะ่ะแต่พอสอนแล้วมันมีแบบสิ่งที่ปฏิบัติแล้วไม่เหมือนที่เราเคยทาหมายถึงอย่างที่ที่อ่านหรือปฏิบัติกับกับห<ๆ>ลวงพ่อหรือว่าของพระพุทธเจ้าอะไรเนี้ยคะ่ะที่พระพุทธเจ้าสอนในที่พระพุทธเจ้าสอนในสถิตประธานสีไม่พอเนี่ย เนี่ยค่ะมามาเอาคํารอาจารย์ว่าจะจะถอยจะไปต่อเราไปอา่นนอนอน า, ปานให้ติปฟังทานเจติที่าอนอนนาปานสติท่านสอนยังไง<อ>ง่ายๆมีเท่านั้นแหละมันถ้ามันมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าสอนแล้วมากกว่านั้นเนื้อไปคนในประไตรปิฎกก็ได้เกี่ยวกับเรื่องอนนาปานาสติตั้งหลายอ่นอ่านให้มันแจ้งชัดก็ได้ดีกว่าไปเรียนจากคนที่เรียนต่อมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีบางทีก็เรียนถูกเรียนผิดแล้วก็ไม่รู้ เืียนจากต้นต้นฉบับไร้ซึ่งตอนนี้มีเครื่องค้นหาได้เนี่ยในขึ้นมือมถือเขียนไม่แรงอนาปนสติกเนี่ยมันจะเดึงขึ้นมาให้อ่านเยอะๆแล้วก็เลยออ่านแต่ของพระพุทธเจ้าเขียนพระไตรปิฎกอนาปนสติในพระไตรปิฎกนี้ดีกว่าคไปอย่าไปอ่านของคนอื่นเลย<ช>เอาของแท้<ป>อของจริงดีกว่าค่ะจะได้บอกเขาว่าเราขอปฏิบัติแบบนี้หน้าอะไรเงี้ยค่ะ เพระาะว่าเราก็จะแอบแบบเอ้ถ้าทําไม่ตรงก็ไม่สบายใจจะเดินต่อไปทางนู้นเราก็แบบก็ไม่ใช่ทางที่เราคิดว่าจะเป็นที่เราชอบหรืออะไรเงี้ยไม่หยาบนะไปเลยหยาไปเลยไปเรามีปัญหาไปทำไมันไปหาปัญหาทําไมทางนี้ไม่มีปัญหาไม่ไป <laughs> ห<า> <laughs> รือสอนตัวเองไม่ได้หานหนังสือเองไม่ได้เลยอ่านเองไม่ได้เอยไปถ่ายแล้วนะเป็นอาจารย์ก็ได้สอนคนอื่นได้สอนตัวเองไม่ได้เลย ได้ได้อยู่ค่ะเราเราไปเสิร์ชฮะหาหนาปัญญสติในพระไตรปิฎกดูเลยดูมีอะไรขึ้นมาบ้างเราอ่านถึงว่าน่าจะดีกว่านะว่าได้ของแท้ของจริงอไม่ไม่มีของแปดฟองก็ไปเลยถ้าเราเช้าอยากให้เข้าเหมือนแบบอืมค่ะ ไม่งั้นจะจะมาอ่านแล้วก็มามาถามพระอาจารย์ในราคาและปฏิบัติเองเพราะจริงๆแล้วก็ฟังทำเรื่อยๆอยู่ค่ะฟังครูบาอาจารย์แล้วเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอ <laughs> ตอนนี้พอเข้าไปเราก็าไปอ่ า, าในใหพระไตร <c oughs> ปิฎกเกี่ยว <c oughs> อนนาปนสติเนี <c oughs> ่ยจะไปครั้งน้าไม่ใช่งั้นถอยนะคะพระอาจารย์ <laughs> <c oughs> ถ้ามันเป็นปัญหาเ <c oughs> ราไปต่อไปนะเออ มันเป็นปัญหามันขัดกับการมันทําให้เกิดการอาการขัดคันขึ้นมาไปทำไมค่ะต่อกองหลงจากถ้าเราหลัจากถ้าเราคิดว่าวิธีของเราไม่ดีก็เปลี่ยนวิธีแบบอของเขาก็ต้องไปกับเขาค่ะแต่ได้กบังคับให้เขาเหมือนแบบบังคับให้เราปฏิบัติที่ความที่มีบ้างแต่ตอนนี้คิดว่าบังคับตัวเองสบายเใยกว่าค่ะไปกลับมาทําเองดีกว่าค่ะคือต้องเข้าใจด้วยนะว่า การปฏิบัติสมาธินี้มันมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันยันแต่ละสำนักในก็สอนไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายก็คือกันเดียวกันคือให้จิตเข้าสมาธิได้เหมือนกันเป็นแต่ว่าเราจะทำตามก็ได้หรือไม่นั้นเองถ้าเราจะไปเรียนเราต้องทำใจแล้วเหมือนกับเราถ้าเราจะไปกิน แล้วตอนนี้เรากินชาอยู่แล้วเราอยากจะได้ชาแก้วใหม่แล้วก็ต้องทัดเอาชาที่ข้างอยู่ในในแก้วทิ้งไปจะได้รับชาแก้วใหม่ได้ <c oughs> ไแล้วปนกันแล้ไม่อร่อยนะของเก่าด้วยของใหม่ด้วยแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ค่ะกองใหม่จะชิมแต่เหมืนอนอาเอาเอายังไงดีของเกา่าก็แบบไม่อยากทัดพี่จะได้นองพี่เจะได้นองพคงคงต้อง ต้องปล่อยทางที่ไม่ใช่เราแล้วล่ะค่ะท่านอย่างนั้นคงไม่ไม่เกรงใจแล้วค่ะไม่งั้นคงจะเสียเวลาของเราไปออก็มันเหมือนแบบเดี๋ยวลิกไปทิ้มาไม่ได้ซักเรื่องอะไรเงี้ยค่ะหลวงตามาครับโมเนกคุยพยาท่านไม่เกรงใจคนท่านเกรใจทําถ้าเกรงใจคนทําก็แหละออ่าค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาปฏิบัติแล้วก็บังคับตัวเองดีกว่าค่ะตอนนี้ รูรักตาเหี้ตโนนาอถวนะตาเหี้ยตโนนาเถวค่ะค่ะอาจารย์อีกอันหนึ่งคืออะไรอีกอันหนึ่งว่ามาหมดแล้วเหรโกรธเลยค่ะอาจารย์มีวันหนึ่งมีคนทําให้โกรธมากๆแล้วเราก็ก็โกรธจริงๆค่ะโกรธมากแล้วก็แบบเหมือนห้ามตัวเองไม่ได้ว่าโกรธจริงๆนะแต่ใจมันเห็นความโกรธมากแล้วก็รู้สึกว่า เฮ่ยตอนนี้แย่จังแต่ว่ามันมันเอาไม่ลงค่ะพอาจารย์ไปเห็นว่าเฮ้ยเรายังโกรธมากเลยนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นพอพอผ่านกัรที่ว่าเราโกรธก็คือเป็นเป็นพี่แล้วก็พูดว่าเราไม่ไม่พอใจอะไรแล้วเราก็าหลังจากนั้นเราก็ตัดไปเลยค่ะอาจารย์หลังจากที่เราเห็นความโกรธและความไม่ดีของเราก็คือความโกรธเราก็เลยอ๋อเรายังเรวอเรื่องนี้นะหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอารมณ์เนี้ย อีกเลยค่ะพอาจารย์เพราะเราเห็นแล้วว่าเออเรายังแย่เราไม่ว่าเราดีแต่เรายังแย่ค่ะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นก็ก็ยอมอยู่เข้ามา เ, เลยค่ะที่ฟังจากที่ที่ ท, ท, ท, ท, ที่พูดในเนี้ยค่ะก็เข้ามาในใจว่าเออต้องยอมหยุดเย็นแล้วก็ก็ดีขึ้นค่ะอาจารย์โอเคใช้<ต>ได้เหม่ต้องเอาเปตี <c oughs> ตบตีครับถือว่าใช่ได้แล้วนะ <c oughs> แค่แบบเอ้ยอะไรเงี้ยค่ะทําไม่ทาอย่างนี้ไม่พอใจนะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ก็คุยกับเขาว่าไม่พอใจตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็โอเคแล้วหลังจากนั้นก็เห็นว่าเอ้ยเรายังโกรธนะเห็นแล้วว่าเราไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นคนไม่ค่อยโกรธอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากนั้นก็เลยทำเหมือนแบบก็ก็แบบเหมือนแบบตัดตรงนี้ไปเลยว่าถ้าเขาทาแบบนี้อีกก็ไม่เป็นไร ทำไปเลยเราไม่ได้สนใจนะคะแต่ว่าได้เห็นว่าอ้อไม่ก็เป็นคนดีใช่ยาชาลาดใช่ยังมีกิเลสหลายตัวซ่อนอยู่นะโอเคนะตอนนี้ก่อนนะสิริกานนี้่างอาจารเพียงพัน์อาจาตุ๊กตอับกันลักซี่กลับมามได้ยินไหมวันนี้กันลักซี่เอ10ยินเสียงมะพร้าวชาลันยังไม่ได้ยินอยู่นะ เราเปิดมาเราก็ไม่ได้ยินเสียงเลยพูดได้ไหมเราพูดด้วยไหมไม่ได้ยินไม่สื่อสารกันไม่ได้คุณกาลักซี่เสิขอพายนะ <c oughs> ล้วขอข้ามไปก่อนไปที่คุณชนะ ด, ดาเลยคุณชนั ด, ดาอยู่ที่ไหนตูปรปาการเจ้าค่าที่ว่าทําบุญทุกวันพูดถูยใช่ไหมวันนี้หรือปะ่ะทุกวันพรรหัสค่ะพร ะ, ระรนี้ ค่ะพวกนี้เป็นถั่วเขียวต้มน้ำขิงนะคะน้ำลายหลแล้วก็เอ่อเอ่อเมื่อสักครู่ฟังคุณดอ็อกเตอร์พูดถึงเรื่องนอกกับแมวหนู ก, ก็เลยมีเรื่องเหมือนกันอะก็จริงๆก็ไม่ได้ติดในใจเท่าไหร่แต่ก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาพอดีมันมี น, มนกมาอยู่ใต้หลังคาบ้านแล้วมันก็ ถ่ายเลอะบ้านอยู่เรื่อยทําให้เราต้องทําความสะอาดทุกวันเลยเงี้ยค่ะไล่ก็ไม่ไปทํายังไงก็เขาก็ไม่ไปจริงๆมีที่อยู่ให้เขาเยอะเลยนะคะเสร็จแล้วก็เลยหนูก็เลยเอาแมวขึ้นมาเลี้ยงอะค่ะ<笑><笑>ไม่รู้ปล่าหรือเปล่าแต่ว่ามันบาดแล้วล่บแล้วล่ะไม่เมตาทําเมตาก็ายินดีรังขีใ้เข้าไปละ่ะคะเออ แต่เมตตาด้วยการล้างขี้นกเนี่ยไม่เป็นไร เ, เขาไม่มีที่อยู่อาศัยเขามาขอพึ่งพาเราตอนที่นี้เขาไม่รู้จั ก, กรักษาความสะ า, ารแล้วก็ทำความสะอาดของเราไปสร้างทานบา ร, รมีสร้างความดีไปค่ะอ๋อบาปแล้วใช่ไหมคะบาปแล้วทำไปตอนนี้นก <laughs> ตอนนี้ตอนนี้แมวก็ท้องด้วยแมวก็จะให้ไปอยู่ที่อื่นก็แบบมันก็น่าจะยากแล้วมันก็เลยเขาก็เลยนกเขาก็เลยอยู่ตรงนี้ไม่ได้เขาก็เลยไปอยู่ คือไปอยู่ใต้หลังคาตรงอื่นอะไรเงี้ยค่ะอือก็ไม่รู้ว่าแต่มันก็ยังไม่ได้กัดกันนะคะอาจารย์แค่แค่มันทํำท่าเฉยๆค่ะแต่นกมันอยู่คงอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไปอยู่ใต้หลังคาอื่นนะค่ะไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆไม่ดีนะคะก็มันไม่ไม่ควรเนี่ยแต่ถ้ามันเอามาแล้วจะทำอะไรกับแมวแล้วล่ะทีนี้คอยมันได้เปล่าค่ะแค่คราวหน้าหนูจะได้ไม่ไม่ทำอย่างนี้อีก ทำมาที่ทำให้คนเหื่ยก็เหลือทีนเสียหายนะครับก็ค่ะแล้วถ้าเกิดเอ่อเอ่อถ้าสมมติว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยที่เราเรารู้สึกลำคาญตัวเองอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกิเลสไหมฮะพระอาจารย์ขาสติค่ะสติม่บก็มาพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็ค่ะพระอาจารย์ครสมัยหนึ่งที่หนูนั่งสมาธิไปบ่อยแล้วมัน มีช่วงที่ดีนั่งได้ดีทุกวันอเลยเนี้ยแล้วพอมาช่วงหลังขาดหายไปช่วงหนึ่งทีนี้พอเวลาจะกลับมานั่งใหม่เออ่เวลาจิตเริ่มสงบใช่ไหมคะแล้วพอมันจะเริ่มไปต่อเราจะรู้ว่ามันจะไปไหนอะค่ะแล้วมันจะมันจะมันจะพังอะค่ะอาจารย์แต่มันจะชอบรู้สึกตลอดว่าเดี๋ยวมันจะมันจะไปทางนี้แล้ะมันจะเป็นอย่างนี้ละอะไรเงี้ยค่ะอย่าปล่อยมันไปเด็ดท่านทาสมาธิทาให้มันนิ่งอย่เดอยวใช้พุทโธหนึงกลับมา ใช่ชัดเจนเลยครัมาหนึ่งวันค่ะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดตอนที่เรานั่งแล้วเ ร, า, เร า, านั่งได้เอสงบจนเลยเวลาไปหลายชั่วโมงแต่เราคิดว่าเรานั่งแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ดีไม่เป็นไรเวล า, วลาสจิตสงบเวลามันผ่านไปอย่างมวดเร็วถ้าเรานั่งไปเรื่อยๆเลยแล้วออ่ไปเรื่อยๆเลยก็ เป็หลายชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ก็ไปได้ด้วยก็ดีใช่ไหมคะ่งถ้าสมมติทั้งวันเลยถ้าทั้งวันเลยอะค่ะอาจารย์ดียิ่งดีนะญ่เลยแลวคะอย่านั่งหลับก็แล้วกันนั่งแบบนวดตามนวดเสร็จตัวค่ะได้ค่ะนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะความสงบมันเป็นประโยชน์เมื่อนันงไปสงบมากๆสงบทั้งวันทั้งคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ยิ่งดีใหญค่ะ 7็ดวันเจ็ดคืนแบบไม่ลุกเลยหรอคะพระอาจารย์เรดูสีที่เข้าเข้าเข้าฌานทีอันนั้นก็คือฌานใช่ไหมคะถ้าเรานั่งนั่งจนนั่งจนตัวเราหายไปอ่ะอันนั้นถือว่าเข้าฌานหรือยังคะพระอาจารย์ก็มันถ้าจิตสงบว่างเนื้อแต่สักแต่ว่ารู้ก็ใช้ก็เป็นฌานขึ้นมาค่ะ คือพอถึงตรงนั้นก็ไปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องอไม่ต้องัไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเห <ๆ S 2> <ๆ S 1> มือนกัืงบิมันขึ้นจากผ่นดินพันดินไปแล้วมันก็มันก็ป็นลงมันไปไม่ตกลงม า, มาอฮะค่ะเอ่อแล้วความสรุปคือหนูว่าขาดสติคือเริ่มรู้สึกลำคาญในในกิจวัตรที่เราเป็นไปอะไรเงี้ยเออหมายถึงว่าต้องพอพอหิว ก็หาของอร่อยกินหรือบางทีไม่หิวก็หาก็ก็ไม่รู้จะทำอะไรบางทีก็เบื่อไปหมดดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันก็ไม่ติดอะไรเตอไม่ติดอะไรเลยนะคะแต่ว่า<ผ>มไม่ว่าถ้าเบื่อก็กลับมาทําสติดีกลับมาพุโทโธนีค้ค่ะค่ะพุทโธดีค่ะอันนั้นคือขาดสติอ่าขาสติค่ะพยายามกลับมาทําจิตให้สงบแล้ว<ม>อาการต่างๆก็จะยายอาการเบื่อหน่ายต่างๆก็จะหายไป ค่ะแต่ก็มหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะคะเพราเปิดเสียงพระอาจารย์ทีไรหายเลยค่ะที่ที่เป็นที่เป็นอยู่หลายหลาอย่างเอ่อพอเปิดเสียงพระอาจารย์หายจริงๆค่ะมหัศจรรย์อยู่เรื่องเนี้ยค่ะมันจะหายนานหรือเปล่าท่านั้นเปิดเสียงกลับมาใหม่ใช่ค่ะได้ค่ะหนูก็คงเรียนถามเท่านี้ค่ะวันเนี้ยค่ะขอบคุณค่ะพยายามสร้างเสด็จขึ้นมาดีกว่าจะได้ไม่ต้องอาศัยอาจารย์อยู่เรื่อยๆนะ แต่เบื้องต้นนี้ถ้าไม่รู้จะหาอะไรก็หาอาจารย์ก่อนก็ได้เปิดพางก่อนก็ได้เป็นปน้ำยาหมอง <c oughs> เราต้องพย <c oughs> ายามปฏิบัติของเราเองให้ได้หยุดใจเราให้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นโอเคนะค่ะได้ค่ะอีกครัี่วิชาไม่ามาได้ยินเนี่ยผมไม่ได้ยินนะเพราะว่าเห็นเปิดมาอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเสียงเข้ามาเลยเขายังไม่ได้เชื่อมเขายังไม่ได้เชื่อมต่อเอระบบเสียงแต่เรานะครับอันนึงคนคนแชทกับเขาหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแชทครับเดี๋ยวไปคุณสุภัสตาเลยนะอคุณสุภัสต์เชิญจากดัลลัสเท็กซัสกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะรูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามาร่วมฟังโน้ตการปฏิบัติเป็นหน้าเพื่อนนะ เรื่อยเอยจ้าค่ะก็เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะอยาหย่ <c oughs> อ, ย อ, ยอยนอยานก็แล้กันอย่าประมาทเนี่ยอย่าชะล่าใจเ <c oughs> จ้าค่ะเจ้าค่ะถือเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะโลกที่เหลวมันจะคอยหลอกให้เราชะล่าใจมาชะล่าใจเนี่ยมันจะตลบหลังเราทั <c oughs> นทีเจ้าค <c oughs> ่ะนะคือาดใดดับใดที่เรายังควบคุมตัวเราเองไม่ได้ตลอดเวลาเนี่ยจะต้องระวังนะ เด้อค่ะโอเคเน้นไปที่คนเป็นพินพพดาต่อจากวเวอ์จิเนี่ยดูพิพดากลับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูไม่มีคําถามค่ะอ่าามาร่วมกันมาทับทายกันค่ะเข้ามาฟังก็แบบได้ฉันพะไปปฏิบัติต่ออ่าเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ได้ธรรมะได้น้ําไปหล่อเลีจิตใจนะค่ะคใช่ค่ะไปที่คนแบนดินใจกลับขอบคุณค่ะ มันเป็นดินไทยเชิญเปิดไม้ได้เลยเ อ, อ, อยู่ที่ไหนเทศกาชลบุรีนี่แหละค่ะชลบุรีบางการานะมีคำถามอะไรไหมเออจะเชิงจะเชิงบอกว่ามีก็ก็ไม่เชิงอะคะ่ะอยากจะกลาบเรียนอาจารย์ว่าในช่วงสถานการณ์ที่มันมีแต่ปัญหาเนี้ยทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะคะ่ะคือหนูมีเพื่อนตอนเนี้ย เพื่อนพ้องของตอนนี้ยคือติดโควิดเหมือนกันคือเราจะใช้หลักธรรมอะไรที่จะแบบว่าโคที่จะให้กําลังใจคนอื่นที่เขากําลังรู้สึกวิตกกังวลหรือว่ากําลังทิต ก, กับประมาณเนี้ยคะ่ะก็เราให้กําลังใจเราอย่างไรล่ะเราให้กําลังใจเราอย่างไงเราก็ให้กําลังใจเขาแบบนั้นไปค่ะเพราะว่าคือก็เพื่อนเพื่อของผมคนนี้ก็คือเป็นโควิดทั้งทั้งทั้งเอ่อ ท, ทั้งสามีทั้งภรรยาเป็นทั้งคู่เลยอะคะ่ะ อเขาบอกเขาบอกเป็นก็หายได้ไม่ใช่เป็นแล้วตายทุกคนนี<ะ>่หนะเขากลัวว่าเขาจะมิตกกระบวนอะไรประมาณเนี้ยออก็เป็น<ะ>เป็นเป็นแล้วตายนี่มันแค่เท่าไหร่ร้100อย <100 S 2> ได้หนึ<ะ>่งร้อยคนตายคนหนึ่งง่ย <S 2> <S 2> ก็รักษาไปถ้าเป็นก็รักษาไปถ้ารอดก็ไม่ตายถ้าไม่รอดก็ตายเก็ทําห้ก็ต้องทําใจนะ อย่าไปยอยากอย่าไปอยากอย่าไปอยากว่าอยากอยากอยู่อยากไม่ตายมันจะทําให้เครียดค่ะต้องทําใจเป็นการกลางอยู่ก็ได้ตายก็ได้แล้วแต่แล้วแต่บุญตกรรมของเราก็แล้วก<ะ>ันแล้วจะไม่เครียดวถาเราถ้าเร า, <S 2> <S 2> าเ ร, าาราลอดมาคันนี้ต่อไปเราเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อไปเราจะไม่กลัวการโลกภายไข้เจ็บไม่กลัวความตาย เรารูจักวิธีทำใจเข้าใจไหมเข้าใจค่ะก็ไม่มีคำถามอะไรแล้วค่ะก็อยากจะให้ผู้อาวานดูแลสุขภาพในาดูแลสุขภาพแล้วก็ทุกๆท่านนะคะทุกๆท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองนะฮะตาหอัตนาถงนะ อย่าไปห่วงคนอื่นมากจนลืมตัวเองคงรรมศาจารย์สาธุคุณสิรินธรเชิญจากแม้วเวลาแม้วลมธรรมศาสตร์พระอาจารย์เจ้าค่ะ <ใน S 2> ก็เมื่อกี้ฟังแล้วโยมก็คิดถึงอนัตตานะคะพระอาจารย์เพราะว่าอตอนนี้ที่นี่ไม่มีใครจะใส่แมทแล้วอะคะอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ตอนนี้เมืองไทยอาจจะเป็นข่าวมากมายแต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะหมดไปแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เหมือนกันพยโยมอีกสองสามอาทิตย์พยโยมก็ต้องเดินทางไปต่างลัตเพราะว่าต้องไปทํางานต่างรัตก็ยอมรับว่าก็มีความกังวลกับกับการที่จะต้องนั่งรถนั่งรถไปนั่งรถไฟไปต้องไปเจอผู้คนต้องไปอยู่ในโรงแรมแล้วก็ ที่นี่เขาไม่ใส่หน้ากากกันหล้วเราก็แอบมีความกังวลแต่เมื่อมองเข้ามาเลาใช้ธรรมะก็เห็นว่าเดี๋ยวมันก็จะหมดไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสามปีที่แล้วมันไม่มีแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้มันต้องอยู่ที่ใจในการใช้ใช้ธรรมะอย่างสูงในการเข้าใจเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ก็ของโยมก็วันนี้โยมมีเพื่อนฝากถามคาถามค่ะพระอาจารย์พอดีว่า เขาทํางานอยู่ที่ร้านตัดผมแล้ว เ, เหมือนกับว่าตอนที่เขาตัดผมเขาก็เหมือนกับว่าเอาลูกค้ามาเป็นคนรู้จั ก, จกช่วยลดราคาอย่างนั้นอย่างนี้ให้คราวนี้เจ้าของร้านก็มาว่าเขาว่าเนี่ยเขาเอาเปรียบร้านเพราะว่าลดราคาให้ลูกค้าคราวนี้คําถามก็คือสําหรับโยมเนี่ยยมก็รู้สึกว่าอ๋อเขาลดให้เพราะว่ามันเป็นค่าแรงของเขาเองแต่เจ้าของร้านเขาบอกว่าถือว่าเป็นการเอาเปรียบร้าน อย่างนี้คําถามก็คือว่า อ, าอย่างนี้นี่ถือว่าเขาผิดศีลไหมคะผิดศีลในแง่ของความขี้โกงอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อไม่ผิดศีลเนี่ยเราเราไม่ได้ไปเอาเงินของใครเรามีความเมตตาแต่ว่าเราทําไม่ถูกการรับเทสัตท่านอเองอาจะทําผิดกฎระเบียบของร้านเขาร้านเขาไม่ให้นวดเราไปนวดถ้าเราอยากจะนวดเราทํานับหลังเสร็จเราชายเขาเต็มที่ต่อหน้าแล้วเราก็เอาเอาเงินของเราคืนเข้าไป ส่วนนเองอืมค่ะค่ะยุ้งก็จะได้บอกเขาได้ค่ะก็คือเราก็เราอยู่กับเขาเราต้องทําตามกฎของของเขาใช่ไหมเรากฎเดี๋ยวถ้าเรามาลดเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นนาจจะบ่นว่าอทําไมคนนี้ถูกก่าคนนั้นอาจจะสร้างปัญหาได้ก็ก็คิดแต่งราคาแล้วเราก็รีฟันให้เขาทีหลังก็ได้ <laughs> เขาเล่าใหฟังว่าเจ้านายมายืนข้างๆเลยกลัวเลยไอ้เขาจ่ายเจ้านาให้เต็มเต็มเต็มจ่ายร้านให้ไปเต็มราคาแล้วเราก็เดินออกไปนอกร้านแล้วก็ควักกระเป๋าเอาเงนของเราให้เข้าไปถ้าอยากจะลดค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวโยมบอกเขาให้ถ้ามันอยากจะมีปัญหาถ้ามันอยากจะมีปัญหาทําแบบนี้นำเสื้อละฟั่งกันในกระเป๋าเราเขยเขไปค่ะแล้วโยมก็มีปัญหาเรื่องนกกับพรอาจารย์ แต่คราวนี้เนี่ยนกบ้นโยมเข้ามาทํางานอยู่ตรงแต่เขาอยู่มาตั้งแต่ก่อนโยมย้ายเข้ามาแล้วนะคะเขาอยู่ตรงไอ้ท่อค่ะพระอาจารย์ท่อที่มันจะท่อแอร์ที่มันจะออกไปนอกบ้านนะคะพระอาจารย์มันจะเป็นท่อแอร์ท่อที่ท่อลมอะค่ะแล้วก็ทุกวันเขาก็จะตื่นเมื่อลูกตีโมงแล้วก็จะทำเสียงแกะกาแกะกากอยู่ระหว่างตําแหง แต่คราวนี้โยมไม่เคยไปไล่เขาเพราะว่าโยมถือว่าเขาอยู่ก่อนเรามาอยู่ที่หลังเขาแต่ทุกครั้งที่โยมออกไปนอกบ้านบางทีช่วงเนี้ยค่ะก็จะเห็นไข่นกตกลงมาเพราะว่าที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ระหว่างชั้นสองกับชั้นสามค่ะพระอาจารย์บางทีก็จะเห็นไข่นกตกลงมาบางทีก็จะเห็นลูกนกตกลงมาตายตัวอ่น อ, อนๆที่เขาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราโยมไม่ค่อยออกไปหลังบ้านนะคะ อันนี้อันนี้ยอมยมต้องทําใจใช่ไหมคะว่ามันเป็นกรรมของเขาว่าเราช่วยเขาไม่ได้เป็นเรื่องของเขาไปก็ต้องปล่อยเขาใช่ไหมค ะ, ะเพราะเห็นทุกครั้งก็ค่ะน<ต>อกจากว่าถ้าเราสามารถสร้างสร้างกรงนกลํานกให้เขาแล้วเขาย้ายไปอยู่ตามที่เราสร้างให้เขาได้ก็โอเคยมไม่กล้าเพราะว่ามันจะต้องเหมือนกับมันเป็นท่อแคบหกนิ้วอะค่ะพ่าประมาณบ้านใหม่เห้เขาไงสร้างหังนกใหม่ให้เขา สร้ามเหมือนสานบัพพูมีเขาอยู่มานานมากเลยค่ะตรงนี้ว่าเขาอยู่มาปีแล้วโยมเห็นบ้านตรงข้ามบ้านข้างๆใช่แต่ก็เห็นบ้านใหม่เขาเห็นบ้านใหม่ก็อาจจะย้ายไปก็ได้หนูไม่แน่ใจเขาอยู่กันทั้งปีอยู่มานานมากะยมไม่กล้าไปไล่เขาเพราะว่าโยมกลัวบาปแล้วไม่ต้องไล่ไงมาทั้งนี้มาทํา่อใจเขายังไงทําบ้านใหม่สร้างใหม่ให้เขาเดี๋ยวที่ตรงนี้มันท่านจะปลอดภัยกว่าที่เราโนไม่กล้าจะไล่ใหม่ก็ได้ ค่ะของโยมเป็นนกกระจิบค่ะตัวเล็กๆออกลูกทีหนึ่งสิบตัวแปดตัวบินกันน่ารักไปหมดอ่าก็เห็นเห็นลังนกเขามีขายกันมั้ยล่ะนกบันนกอะไรไ็มีรูวีมีค่ะโยมก็นึกว่ายมจะเอาขนมปังไปเลี้ยงกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหิ้งบ้าก็ไปซื้อหลังนกแล้วมาตั้งไว้ที่ปลอดภัยแล้วเผื่อเขาอยากเห็เห็นว่าที่น่าจะดีแบบที่ตรงนั้นเขาไปอาจจะย้ายหลังมาก็ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวยมลองดูค่ะแต่ยม ต่ยมว่าที่นี่ยปลอดภัยแล้วเพราะหน้าร้อนนะหนาวกันหิมะกันฝนเขาก็เข้าไปในท่อันนี้ได้หมดยังต้องว่ายก็้าไปตามในของเขาถ้าเลยก็ได้นะมันไม่ใช่เป็นความผิดของเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาค่ะก็ยมก็ไม่ยุ่งพอดียมได้ยินเรื่องนกไหลเรื่องยอมก็ดึกว่าโอ้ป้าเราก็มีเหมือนกันค่ะค่ะน้องนั้นยมก็ไม่มีอะไรราค่ากับมาฟั่นทามเฉยๆค่ะสาธุพระพาเจสันคนนู้นที่มามีคําถามไหมคนนู้นที่มา กรรมการจะถามว่าอาจารย์ไม่มีคำถามจ้ะโอเคเน้นไปที่คุณกรณ์กอนาราคุณกรณาราได้รรรรยินไหมเชิญเปิดไมค์ก่อนอันไม่ไมโครโฟนอยู่ที่ไหนคุณกรณาราเอออยนะู่ อ๋ออยู่อยู่จังหวัดแพร่เจ้าค่ะท่านอาจารย์มีคำถามไหมอ๋อตอนนี้ยังไม่มีเจ้าค่ะมาฟังธรรมะท่านอาจารย์เฉยๆเจ้าค่ะโอเคถ้ า, างั้นก็ขอผ่านเลยนะเจ้าค่ะกล่าบในมัสการเจ้าค่ะโอเคคนเสลียนะคนเสลียต่อจะยินไหมอ๋อไม่ใช่เสลียทีม ง, งานขอไปด้วยคุณพร่<ช>พี่แอนพร่พี่แอนใมรสการครับอาจารย์ อยู่ที่ไหนอยู่ที่บางยี่ขันกรุงเทพครับผมคำถามไหมก็มีมีอยู่สองสองคำถามครับก็คร<ำ>ั้งมาครั้งครั้งแรกนะครับก็ติดตามเพจอาจารย์นะครับคือเรื่องที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เอ่อตัวเองก็ฝึกนะครับปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาเนี่แหละครับก็ใช้ผู้โธนะครั บ, รบมีครั้งหนึ่งเนี่ยปวดหลังแล้วก็เล้ า, าที่เอวนี่รู้สึกทรมานมากลุกแทบไม่ขึ้นนะครับก็เลย อย่ไปสนใจมันเรื่องธรรมดาของงากกนการเลยกำหนดจิตดูตอนนั้นก็ค่อยๆเบาลงครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยอก่อนตอนที่ภาวนาพุทโธนะครับก็พอภาวนาไปเรื่อยๆเนี่อรู้สึกว่าจิตมันสงบนะครับแล้วก็ อ, อรู้สึกว่าว่างเบาเบานะครับทีนี้มันมันเกิดความรู้สึกว่ามันมันสะดุ้งมันสะดุ้งแล้วทําให้ จิตเราถอนออกมาเหมือนกับ ว, ว่ามันมันยังไม่คุ้นชินอะไรประมาณนะครับอาจารย์เขากลับก็ไปใหมห่เนเราเคยเข้าไปได้กลับเขก็ไปใหม่ครับก็เรื่องที่สองก็คือว่าเอ่อพอดีความฝันนะครับอาจารย์ปกติก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ครับทีนี้เอ่อญาติฝันถึงญาติคนหนึ่งซึ่งเขาเสียไปไม่ไม่นานนะครับเขามาเข้ามามาเอ่อฝันถึงเขานะครับเขาก็ อบอกว่าเหมือนกับญาติหลายๆคนที่ลมหายายจากไปเนี่ยก็ไปไปดีไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยหลายคนเท่าไหร่นะครับก็มีแค่ส่วนน้อยครับผมก็เลยมามาคิดย้อนกลับมาดูตัวเองว่า เ, ออเขาอาจจะมาขอส่วนบุญจากเราแล้วก็มาเตือนสติเราหรือเปล่าว่าให้เราทำความดี อะไรให้มากๆอะไรประมาณเนี้ยครับจะได้ไม่เป็นเหมือนเขาประมาณนี้ครับอาจารย์ก็คิดแบบนี้ได้ก็ดีพยายางการสอนเราให้เราทําความดีก็ใช้ได้ครับถ้าสอนให้เราไปทําบาปก็ใช้ไม่ได้นะต้องดูว่าสอนสอนไปในทํำไหนมีท่นี้เหรอครับมีมีประมาณนี้ครับอาจารย์ครับโอเคนะก็ระวังเมื่อความฝันก็อย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซนตต้องรู้จักแยกแยะนะว่าอ่า ว่าควรไม่ควรอย่างไงถ้าสอนให้ไปทำบาปก็อย่าไปเชื่อนะเอาแนี้ก่อนนะครับคุณลุกไหมลุกไหม ม, ม, ม า, ามือยารบน้ามาสักาเด็กแล้วนะยังไม่นอนเลยยังไม่เข้านอนกันนะ กันะะแล้วครับับลงตาครับังกรลงตาแล้วเข้านอ น, นะค่ะทำการบ้านเสร็จยังเหรอก็อเสร็จแล้วชวนน้ำเนก็นกุน่ชวนจำไร้พาลาดยยังชวนจำไร้พลาวค่ะเดท <c oughs> ำหน้าที่ให้สมบูรณ์นะทุกวันทุกเวลาค่าะทำให้นจใสแล้วจะเป็นที่พึ่งของเราได้ ทุกค่ะสวัสดีนสบายดีไหมคะยังหายใจอยู่นะยังหายใจแสดงว่าดีนะถ้าไมายใจถือว่าไม่ดีนะมีคำถามอะไรไหมไม่มีค่ะเข้ามากราบเฉยค่ะ มีคนเข้าใส่บาทแทนให้อยู่ใช่ไหมมีคนเข้าบลอบให้ใช่ค่ะเขวันพระวันพระวันพะนพะไรทำไปนะถึงแมเราจะไม่ได้มาทำเองก็ทัไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวยังไม่ได้เดี๋ยวยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะเลยค่ะเลื่อนตลอดเลยค่ะแต่พรุ่งนี้ได้ซิโนฟาร์มค่ะ เอาเลยได้ไลนก็ฉีดไปเลยดีก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีอายดีเท่ากับหน้ากากเนี่ยใส่หน้ากากไปเรื่อยๆก็จะปลอดภัยถึงสองมักเห็นที่ดีที่เสุดกัก็คือหน้ากากนี่แหล ะ, ะในในหมู่บ้านก็ติดตอนนี้ในหมู่บ้านรอบๆก็ติดกันเยอะนะคะไม่เป็นไรเราป้องกันตัวเราเราใส่แล้วเราจะไม่ติดนิยมย้ายบ้านแล้วนะคะ ที่ย้ายมาอยู่อีกที่หนึ่งค่ะที่เป็นหมู่บ้านโลง่ลงๆกว่าที่เดิมที่เดิมมันจะอัดมันจะอยู่ในตัวเมืองค่ะตรงนั้นมันเป็นสีแดงไหมคะอ อ, อ, อตอนนี้โยมก็ย้า ย, ายมาอยู่แถวชานเมืองแทนค่ะการอยู่ในฐานอยู่ในฐานที่เหมาะสมเป็นมงคลอย่างยิ่งนะพระเจ้าบอกให้รู้จักเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยนะแล้วถ้าหลวงตาจะเก็มสองวันไหนครับ เดือนหน้าที่11สิงหาไม่รู้จะเลือ่อนหรืปานั้นได้เขาก็ายังเลืเล่อนอีกสองเดือนเลื่นเร็วขึ้นเนอะเลื่อนเร็วขึ้ น, เ, น, เ, นเพราะว่าอากงที่บ้านค่ะอายุเก้าสิบเก้าสิบสามเดิมตอนแรกเดิมทีเป็นเดือนสิบนะคะล่าสุดรวมเข้าไปเช็คในหมอพอมค่ะเลื่อนเป็นวันที่สามกันยาค่ะเลื่อน เ, ออเร็วขึ้นเป็นยังเลื่อนกัเลนเขาว่าแอสตรานี่มันแรงไม่เป็นไรมีกลุ่มภูมิป้องกันได้นะนใช่ค่ะใช่ค่ะ ไม่มีอะไดีเท่ากับอยู่บ้านนะถ้าไม่จำเป็นก็ยาวนอกบ้านค่ะตอนนี้อยู่บ้านไปไหนเลยคะถ้าออกค่ถ้าออกได้จะไปพัทยาก่อนค่ะไปวัดยานก่อนเลยค่ะคอเคค่ะท่านีก่อนนะทุกวันนอนะคะบันดีนะเป็นเด็กดีขยันเรียนหนังสือนะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ กิจกรรมนี้ถึงคุณการลักซี่อะไรใช่ไหมครับใช่ครับการลักซี่เอซิตตอนนี้เราเปิดไหม่เดือนน้ได้ยินไหมอาจารย์ครับว่ามาเลยอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ปากเกร็ดครับปากเกร็ดนะครับอาจารย์อย่าถามอาจารย์ว่าผมเป็นคนที่โกรธง่ายนี่จะแก้ปัญหา ย, ยัางไงครับความโกรธมันเกิดจากความอยากของเราไงต้องลดความอยากลง ถ้าเป็นคนยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่โกรธใ่ไหครับถ้าต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะโกรธไปตามไม่ได้ดังใจเราครับแล้วใบแจ้นะครับแบบเราเราจะลดความอยากได้ยังไงอะครับลดความอยากเอก็ต้องก็ต้องพยายามฝืนมัน น, นะเวลามันอยากอะไรก็ต้องฝืนมันอย่าไปทําตามความอยาก เดี๋ยวไปแจ้งวาความยาเด้วอาจารย์นเขาถามพิญานึงครั บ, นนาารบการภาวนาที่คือการเวทนาสุกเวทนาทุกเวทนาใช่มีครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งอะการภาวนามันมีหลายหลายขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็ฝึกสตินั่งสมาธิก่อนพอมีสติมีสมาธิแล้วก็เวลามีเวทนาก็สอนใจให้รับมันไปอย่าไปจูจี้จุกจิกกับเวทนา มันสุขก็รู้ว่มันสุขมันทุกข์ก็ร้ว่มันทุกข์กอยากไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวแล้วใจก็จะสบายไม่เดือดร้อนครับเราถามไม้ไม่ไม่เริ่มนั้นสมาธิฝึกสติเราใช้การพิจารณาเวทนาเลยจะได้ไหครับ ม, มันจะไม่มีกําลังเี่ยพราะถ้าไม่มีสมาธิมันใจไม่มีกําลังที่จะฝืยความความอยาก อ๋อเรื่อฝึกสติตอนเหลือครับพระอาจารนใช่ฝึกสติพุโทโธพุโทโธแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตนิ่งเป็นเบกขาแล้วก็จะมีกําลังที่จะฝืนความอยากได้ครับแล้วแล้วพระอาจารยนาการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นที่ดีที่สุดสำหรับผมนี่ควรจะเป็นอะไรอ่ะครับต้องพุโทโธไปทั้งวันเวลาลืมตามขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดอะไรอย่าไปอยากกับอะไร ครับ้าจารย์แล้วอีกอย่างหนึ่งผมให้ทานมากๆแล้วเนี่ยผมจะเริ่มรักษาศาีลแล้วก็จะภาวนาต่อนี่ตามลาดับหรือว่าข้ามขั้นได้ครับก็ถ้าทําอัไหนได้ก็ทําไปเลยทําทอันไหนได้ก็ทําไปเลยเหร อ, อครับอแล้วแล้วเราเราอยากจะก้าวหน้าขึ้นเนี่ยไม่รู้จะก้าวหน้าขึ้นได้ยังไงอหรครับอาจารย์ทําให้มากเนี่ยทําให้มาก ทำทั้งวันไม่เนี่อทำให้มากขึ้นใช่ไหมครับ อ, อต้องทําให้มากขึ้นมันก็จะได้มันก็จะก้าวหน้ามากขึ้นทําน้อยมันก็ก้าวหน้าน้อย ท, ทําเท่าเดิมมนก็่กับมากก็ทำมากก้าวหน้าน้อยทําำน้อยกก้าวหน้ามากอทําเท่าเดิมก็อยู่กับที่ครับผมนี่พ่อาจารย์เกี่ยวกับการนอนอย่างนี้ครับแล้วนอนให้น้อยทําให้เยอะจริงเหรอครับ ก็เป็นไปได้ก็ดีเพราะเวลามันมีจํากัดในวันมีแค่24ชั่วโมงถ้านอนมากพอปฏิบัติเวลาปฏิบัติทั<ก>้งวันก็จะไม่เสียนนสุขภาพบอกครับอาจารย์ไม่หรอกร่างกายต้องการคืนละ4ชั่วโมงก็พออ๋อครับครับอาจารย์เ ร, รานอนนอ น, นอนกันมากเกินไปรอาจารย์เป็นยังไงนะครับเรานอนมากเกินไปนอนทั้ง8ชั่วโมงเกินน่ะนอนมากเกินไป ก็คุณนอนเพสี่ชั่วโมงก็พอใช่ไหมครับพอถ้าเราปฏิบัติทำพอแต่ถ้าเราไปทํางานหักโหมร่างกายมันเหนื่อยมันก็ไม่พออ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจอาจารย์แล้วการเปิดบทสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นนี้ได้ประโยชน์ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะหนึ่งเราต้องเราต้องมีกุศลอุทิศแล้วเราต้องเราลึกภายในใจของเราไม่ใช่เปิดบทสวดไปไม่มีความหมายอะไร ต่อไม่มีความหมายอะไรครับอาจารย์แล้วมัดผลกับ น, นิพานนี้ต่างกันตรงไหนเครับอาจารย์อ๋อมันเป็นขั้นตอนไงมัดเป็นบันไดผลก็คือชั้นที่เราต้องการขึ้นไปเราต้องเดินขึ้นบันไดก่อนเนี่ยมัดผลนี่มีสี่ชั้นมีบันไดสี่ชั้นด้วยกันต้องเดินขึ้นแต่ละชั้ น, นมัดสี่ผลสี่ ไม่ผอมเกิการถึงชั้นที่เราต้องดินเดสุดขั้นบันไดก็จะถึงชั้นที่เราจะเดินขึ้นไปอ๋อพระอาจารย์พระอาจารย์แล้วถ้าเราถ้าเราไม่มีความอยากที่เราจะไม่มีความโกรธแต่ผมว่าความความโลภกับความความโกรธมันแยกจากกันไหมครับพระอาจารย์ก็มันเกิดจากความหลงไงความหลงที่ไปคิดว่าสิ่นั้นดีสิ่งนี้ดีก็เลยโลภอยากได้ ถ้าเรามีปัญญ า, าก็จะเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เทีย่ยงให้มองอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่โลกไม่อยากได้อะไรไม่ไม่แต่ความโกรธนะครับอาจารย์บอกว่าความโกรธเกดิดจากความอยาก<ต><ม>นะครับผมบอมว่าถ้เกดวลากรอยากได้นะแล้วไม่ได้ดังใจยอยากก็จะโกรออ๋อเข้าใจแบบอาจารย์<ม>เพราะนั้นเราต้องลดความอยากลงความโกรธเป็นเนน้อยลง ความโกรธก็จะน้อยลงครับอาจารย์แล้วก็ความหลงก็ไม่มีความหลง่าเกิดจากการไม่ได้ศึกษาธรรมของพระเจ้าการไม่เห็นตายลากการไม่เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกคนไม่เชอพอย่างนี้ความหลงเราไม่เกิดความโกรธได้ไหมครับอาจารย์ความหลงทําให้เกิดความโลภแล้วความโลภเราไม่เกิดความโกรธอ่าใช่นํามาศึกษาธรรมพระเจ้าละความโลภ เมื่อละความโลมได้ความโกรธก็จะไม่มีครับผมแต่ว่าการฝึกให้ทานบ่อยๆช่วยลดความโกรธได้ไหมครับอาจารย์ได้ถ้าเราให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความต้องการที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นมันจะช่วยช่วยให้จิตใจเราดีขึ้นในลดความโกรธลงได้ใช่ไหมครับอาจารย์เพราะการให้นี้เป็นการ การให้อภัยไปในตัวมันเป็นการให้อภัยเขาต่อไปใครโกรธเราแล้วก็ให้อภัยเขาได้มันก็เป็นการทําบุญแตปแต่ถ้าเราฝึกให้ทานอย่างอื่นก่อนก่อนที่จะให้อภัยเรื่องความโกรธจะได้ไหมครับได้มีอะไรให้ได้ก็ให้ไปพยายามให้ทุกอย่างเท่าที่เราจะให้ได้อ๋อขอบคุณครับอาจารย์แต่ว่าทาไมเราถึงให้ได้กับคนที่เรารักแต่คนที่เราไม่รักเราให้ไม่ได้อะครับอาจารย์ ก็เพราะเราเกลียดเขาไงไปเกียดเขาเด้นร้าความโลภออกอแล้วเราต้องให้อภัยเขาอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ต้องคิดว่าเขากับเราก็เหมือนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เทิดใจนึงกันต้องการความเมตตาด้วยกันทุกคนอ๋อเข้าใจครับอาจารย์จะพยายามทําให้ได้ครับขอบอาจารย์ให้พรด้วยครับอ่ขอให้สศพได้เจริญให้หลุดพ้นจากความโกรธนะ อาจารย์นะว่ผมเนี่ยอยู่ในธรรมะถึงที่ในระดับไหนครับแสตรู้ตัวเองอในระดับต้นๆ ย, ยังไปไม่ถึงไหนยังไปไม่ถึงไหนใช่ไหมครับรอาจารย์ยังไม่ถึงไหนก็ยังดีก้วต่อไปที่จะต้องพัฒนาคือว่าความโลภแล้วแล้วก็ลดความโกรธลงใช่ไหมครับใช่ด้วยการศึกษาธรรมะศรรมะึกษาไตรลักษณ์ไม่รู้จักคําว่ า, ตาไตรลักษณ์เป็นไง อนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นทุกข์ต่อไปเราจะได้ไม่อยากได้กันทับไมจารย์ขอถามมีคําถามนะครับความฝันนี้บอดเบาถึง อ, อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ไหมครับไม่แน่หรอกบางทีก็เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องไร้สาระก็มีจำนำบางคนก็เป็นเไื่องจริงก็มีนะ แ, แต่เราต้องพิสูจน์ด้วย แล้วที่ขอนผมฝันมันมักจะเป็นจริงอย่างเช่น เ, นเมื่อวานเนี่ยผมฝันผมยิงปืนพอวันนี้เนี่ยผมโกรธคนอื่นมากผมแบบเต็มที่เลยแต่ว่าผมไม่ได้ยิงปืนผมผมพูดกับผู้อื่นไปแล้วผมพยายามจิตแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนี้ครับ อ, อันนี้<อ>ความฝันมันไม่ตรงกับความฝันนสัสิความฝันคุณยิงแ่่นอนความจริงมันคนไม่ได้ยิงกับ อ๋อความจริงผมไม่ได้ยิงเช้าไอ้ผมอบอกให้คนอื่นราะว่าผมเกลียดเช้าอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกันเลยอ๋อขอบคุณพ้ะอา จ, จารย์งั้นขอรบกวนพระอา จ, จารย์แค่นี้ครับกราบสาธุพระวุบพระอาจารย์ครับขอได้บรรยากาศปูอย่างพระอาจารย์อีกครับอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหนผมอยู่ที่ปากเกร็ดและเป็นคุณหม อ, อ ค, ครับโอเ ค, อเคขอบคุณมากไปท้าวหน้าไปคุยกันใหม่นะครับพระอาจารย์ขอบคุณครับโอเค คุณท่านต่อไปคนรักคุณนักเและคนสัตว์เนะเช่เปิดไม้ได้เลยอันนี้โอเคคุณได้เลยครับครับคับนมสันมสเการนมันกันครับอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ระยองครับอาจารย์ครับมีคาถามไหมครับมี ม, มีคําถามอยู่ประมาณสามข้อครับอาจารย์ครับออเออก็อรออครับครับผม เออก่อนก็อยู่ผมเขาเล่าก่อนนะครับผมเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็มาทํางานที่ระยองครับแต่เออตอนช่วงที่เด็กๆถ้าที่ผมจําความได้นะเออผมเคยเออค่าศาตราชีวิตมาเยอะนะครับเพราะว่าด้วยฐานะที่ทางบ้านยากจนแล้วก็ค่าเนี้ยมากินบ้างมาขายบ้างนะครับแต่พอผมเอ่อทำงานมาเนี้ยผมก็กศึกษาธรรมาแล้วผมก็ย้อนกลับไปคิดดูไอ้เรื่องที่ผมได้ทํามานะครับก็รู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกเออกังวล มีความทุกข์ใจนะครับก็เลยอยากจะกราบเรียนท่าอาจารย์ว่าการที่เรามาปฏิบัติเรื่องของจิตภาวนาตรงนี้นะถ้าคิดอีกในแง่มุมหนึ่งเนี่ยจะว่าแล้วเป็นการหนีกรรมที่ที่เร็วที่ได้เร็วที่สุดใช่ไหมครับ mm. เพราะว่าผมเคยศึกษาธรรมะเคยอ่านประวัติของพระอริยะเจ้าท่านด้วย น, นะครับถึงแม้ท่านจะมีบุญบา ร, รมีภาคเพียงใดแต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ย ก, ก็ก็ไม่ไม่ไม่ของอวสิกรรมให้ไม่อภัยให้อย่างนี้ครับอาจารย์ตัวตัวนี้จะเป็นอีก อีกวิธีหนึ่งใช่ไหมครับที่ว่าจ้วาเจ้าว่าแล้วคือการเป็นการหนีกรรมใช่ไหมครับการการมาปฏิบัติของจิตภาวานาตรงนี้ครับของการชี้แ จ, จงครับถ้าเราเป็นพระอริยเป็นพาาาระอรหันตนี่เราก็จะหนีกรรมชาติหน้าได้แต่ชาตินี้ก็ยังต้องใช้จนวันตายแต่ชาติหน้าเราจะไม่กลับมาเกิดอีกกรรมที่ค้างอยู่มันก็จะตามไปไม่ได้เพราะเราจะไม่กลับมาเกิดอกีกแต่ชาตินี้เรายังต้องใช้กลับต่อไป การที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าการรมมันตามทนก็ต้องใช้มันไปงั้จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องใช้คเหมือนพระโลกคารานะท่านก็ต้องใช้คำนั้นครับเก็เคยมีข้อที่สองนะครับเรื่องของการทําสมาธินะครับการที่บอกที่เคยได้ยินธรรมอาจารย์บอกว่ามีอยู่มีสักมีอยู่สามอย่างเนี่ยนะครับคือการดูจิตแล้วก็การอบริกรมรมพุทโธพร้อมกับดูลมหายใจไปด้วยแล้วก็ การบริการพุโทโธไปเลยโดยที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูลมหายใจและไม่ได้ไม่ได้มีเอ่อเอ่อพูดโธกํากับกับลมหายใจเข้าออกนะครับตรงตรงนี้คือาสามารถทําได้สามวิธีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่จะทําให้จิตสงบคือที่สามวิธีนะครับก็คือหนึ่งดูลมอย่างเดียวสพูดโทรอย่างเดียวสามดูลมกับพูดโธปนกันผสมกันอืมอืมสามวิธี ดรจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวไม่สงบว่าเราไม่มีกําลังที่จะหยุดความคิดได้ด้วยการดูจิตเฉยๆการทำบริกรรมผู้โทนนี่คือเจบแล้วคือท่องเหมือนแบบนกแก้วทุกท่องใช่ไหมท่องในใจเพื่อหยุดความคิดต่างๆว่าไม่ใไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ท่องต้องรู้ว่าไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการท่องอย่างเดียวครับครับเอข้อที่สามครับเรื่องของ การที่จิตของเราอ่ะยังไม่เป็นสมาธิมากพอมันยังไม่ได้เข้าไปถึงอัปปนาแต่ว่าเราเราเร่งรีบออกมาพิจารณาปัญญาออกมาจะกพิจารณาไต้ลักเกุลไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีความก้าวหน้าใช่ไหมครับพ่จน์เพราะว่ามันมันข้ามขั้นตอนไปควรจะทำฝึกสมาธิให้ให้ให้ให้ชำนาญก่อนให้มันใช่บอกให้มันลึกให้มันมีบเรียามเก่อนค่อยไปทางปัญญา ต้องต้องให้ลึกต้องต้องคือต้องให้ให้สงบทุกทุกเวล า, <อ>าทุยครั้งที <มา S 1> ท่<อ>นั่งสมาที่นั่งจิตต้องสงบนั่งสงบได้นานครับนะฮะ ม, มันออกมาเองอย่าไปดึงมันออกมาให้มันออกมาเองเออกมาแล้วทีนี้ก็พิจารณาธรรมปัญญาได้อืให้ให้มันนิ่งที่สุดครับครับกับ็บบบมีคําถามกลับเรียนถามอาจารย์สามข้อนี้ครับโอเคสาธุ คุณเนี้ยเสร็จคุณเนี้ยเสร็จเดแบบแล้วสองชั่วโมงขึ้นาต้องเร็วเล ย, เอยขอให้เข้าประเด็นกับถามเลยครับพระอาจารย์อผมอยากอถามพระอาจารย์ว่าเวลาเรานั่งสมาธิใหม่ๆเนะครับอาจารย์แล้วมันจิตใจยังไม่นิ่งแล้วผมเหมือนกับเวลาเรานั่งนั่งเหมือนกับคล้ายคลาคลายๆนั่งนั่งนั่งสอนตัวเองนั่งบอกตัวเองเกี่ยวกับ าาพวกอนนี้จังทุกขงกังหน้าตาเนี่ยครับอาจารย์แล้วพอเราจิตนิ่งแล้วเราค่อยมาพุโทโธพุโทโธต่อเนี่ยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้ได้ถ้าพุโทโธไม่ได้ก็สอนจิตให้มันนิ่งก่อนแล้วค่อยมาพุโทโธให้มันปล่อยเรื่องราวต่งางๆที่ข้างๆอยู่ ใ, ในใจครับครับพระอาจารย์หือใจ้สวดมนต์ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาพุทธโทแล้วดูลงต่อที่ไนครับพระอาจารย์เท่านี้เหรอเท่านี้ครับโ อ, อเคไปคนที่คน ใ ค, คุณประยูน ค, คุณบรรวิทก่อนครับคุณบรรวิทย์วรรวิศีครับครับอยู่ก่อนคุณประยูนครับวันี้เมื่อกี้เขายกมือนะฮะแล้วผมอเอามือลงะคระับลง่ลงโอเคคุณบรรวิทพูดได้เลยฮแป๊บนึงนะครับสวัสดีอ่านมรดการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินเชื่มาครับ ก็ดีผมมีมีความสงสัยแล้วก็ไม่สบายใจด้วยเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับซึ่งผมมีความตั้งใจว่าะจะเขียนรูปเพราแม่ครูอาจารย์สาย ป, ปฏิบัติหลายๆท่านเนี่ยครับในอนาคตนะครับอาจจะเขียนไว้เก็บไว้ดูสําหรับตัวเองบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะมีคนมาเห็นแล้วก็ขอซื้อไปนะครับหรือตอนนี้ตอนนี้ก็มีคนมามาว่าจ้างให้เขียน ลูกของของหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยครับก็เลยมีความสงสัยว่าอ่าการการทําอย่างเงี้ยเป็นเป็นการประกอบอาชีพโดยไม่ชอบไหมครับคือเอาเอารูปขององค์ท่านมามาทำมาหากินอย่างนี้นะครับไม่หรอกเป็นเป็นอาชีพที่สามารถเป็นอาชีพว่าใช้ได้ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ก็ผมก็เขียนด้วยด้วยความศรัทธาแล้วก็ อย่างเงี้ยก็ก็คง ก, ก, ก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรใช่ไรครับอันนี้ก็มีมีคําถามเดียวครับไม่เกิดไม่สบายใจมาลูโปขายพอดีเกิดไม่ไม่สบายใจขึ้นมาวานรูพระขายดีแบบวานรูโปวานรูพระทำให้ใจคนสงบวานรูโปทําให้คนใจฟุ้งซ่านนะครับ ใจนะครับก็อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคือการการเข้ามาถามเนี้ยอย่างผมเข้ามาเนี้ยผมผมเพิ่งจะเปิดกล้องนี่คือผมต้องยกมือไว้เลยใช่ไหมครับหรือว่าไม่ต้องหรือไม่ต้องตามสบายคกล้ๆมือตามสงบก็ออเลยจะยกก็ได้ไม่ยกก็ได้นี่เป็นแล้วแต่ัธยาัยอส่ครับก็ก็มีเท่านี้ครับอาจารย์โอเคครับน้ำมัสตาร์ตสุพยูจ่อเลยใช่ไหม ครับเป็นปยครับเป็นไปยืนเชิญครับครับนัมัสการครับพระอาจารย์ครั บ, ราารรบอยู่ที่ไหนี่ลืมตา อ, อยู่จังหวัดน่านครับนานมีอะไรไหมอ่าตอนนั่งสมาธินอกจากคาว่าอ่าภาวนาคำว่าพุโทโธแล้วบางทีมันก็วอกแวกเพราะว่าอ่าในในความคิดผมนะครับว่าอ่าอ่าภาวนาพุโทโธเนี่ยเราจะ จะต้องมโนภาพนึกถึงอะไรี่ผมยังนึกไม่ออกเอาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยแค่ดูอยู่กับคาคําพุดโทรคาเดียวเท่านั้นพออืมอ่าถ้าสมมติว่าเราบริกรรมบริกรรมคำอื่นอย่างว่าสังโคแล้วก็นึกนึกนึกนึกถึงภาพอย่างเช่นว่าไม่ควรจะนึกดิบอะสังโคอย่างเดียวๆง่ายง่ายๆดีครับครับ ครับละและแล ะ, และอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆครับว่าอโดยส่วนมากเมื่อกี้ผมเซิร์ชดูในเน็ตมันก็ไม่ค่อยมีข้อมูลนะ ว, ว่าส่วนมากพระอริยะหรือว่าพระอรหันเนี่ยท่านจะไม่ค่อยแสดงตนหรือว่าเป็นเป็นเพราะโดยธรรมชาติของท่านหรือว่าเป็นเป็นพุทธบัญญัติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับคือถ้าเป็นความจริงท่านก็แสดงตนได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็น พระอริยะพระนะความอยากจะแสดงตนมันน้อยหรือมันไม่มีเลยเ ไ, ไหมถ้าอยากแสดงตนนี้ส่วนใหญ่กาแสดงม่ายังเป็นกิเลสอยู่คนที่ไม่มีกิเลสแล้วไม่อยากจะแสดงตนแต่ท่านจะแสดงธรรมแล้วเราไปเราไปฟังธรรมแล้วเราก็ไปพิจารณาว่าท่านเป็นพระอริยะมาก อยู่ดีๆใช่ท่านบอกว่าฉันเป็นโสดาบันแล้วนะฉันเป็นรุ่นเป็นเลี่แยนนะอันนี้มันไม่เป็นวิสัยของพระอนุญาที่จะใช่ก็จริงครับแต่ท่านจะแสดงธรรมแล้วรับฟังเอ้ยนี่มันทําอันดับโสดาบันเดียวอ่ะเอ้ยนี่มันอันดับอนาคามีนะเราก็จะรู้ว่าอ๋อท่านอย่างน้อยถ้าเราถ้าเราคิดนะคิดว่าอย่างน้อยท่านก็คงจะเป็นโสดาบันแล้วเป็นอนาคามีนะ ถ้าทํานรู้ทำแบบนี้จริงเพราะว่ามันมีพวินัยข้อหนึ่งเพื่อที่อาจจะทําให้พูดแล้วมันอาจจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาคือข้ออวดอุตริคุณธรรมวิเศษที่ไม่มีในตนเช่นสมนะมติเราไม่มีเราไม่มีทำขั้นโสดาบันแล้วเราไปบอกญาติโยว่าโยมนะเราเป็นโสดาบันนันะ่นะนะเนี้ยถ้าเกิดมีคนเขาไม่เชื่อก็อาจจะไปฟ้อง ว่าเราปราชีก็ได้ปวดตะเล็กขึ้นมาก็ได้นั้นม่านพุจะไม่พูดว่าเป็นโน้นเป็นนี้แต่จะพูดธรรมะที่ท่านรู้ได้แล้วคนฟังจ ะ, ะไปพิจรารณากันเองว่าเป็นท่านไหนเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับยุทธตากลองไหนมาพูดว่าเป็นเป็นโน้นเป็นนี้ก็เริ่มเริ่มสงสัยได้แนละ้วใช่ครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับเออถ้าเป็นจริงแล้วท่านพุทจะไม่พูดหรอก ถ้าท่านจะพูดก็ท่านมีเหตุมีผลของท่านแต่ถ้าไม่ได้พูดว่าท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่ท่านอาจจะบอกว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วนะท่านก็พูดอย่างเงี้ย อ, อย่างหลวงตาท่านก็บอกเราไม่กลับมาเกิดแล้วเนะี่ยใช่ครับผมเคยฟังวิดีโอนั้ น, น, นอยู่ครับอแต่ท่านไม่บอกว่าเราเป็นพระอรหันต์ไม่ไม่มีใครพูดอย่างนั้นครับพระอาจารย์ครับทุกเออย่างอย่างทุกวันนี้บางผมน่าจะทําผิดคือว่าบางทีผม ภาวนาคําว่าสังโคเนาะแล้วก็นึกถึงหน้าของพระาจ้านะครับก็ได้ไม่ได้ได้ถ้นึกได้ก็ไม่เป็นปัญาม่ถ้าไม่นึกก็ได้จะหลงทางหรือเปล่าไม่หลงอ่ะไม่หลงอ่ะถ้าให้มันอยู่รูปภาพเดียวว่างั้นอย่าไปเปลี่ยนภาพรูปภาพนี้เดี๋ยวเบื่อภาพนี้เอาภาพนู้นต่อครับเพราะบางทีถ้าผมภาวนาคําว่าพูดโทเนี่ยผมผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยแบบนึกภาพไม่ออก ก็พระพุทธรูปแทนกัได้พระอุตธรูปที่เรากราบไหว้หรือว่าภาพของพระเจ้าครับคือเป้าหมายเขาให้เรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นแหะครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับ่าอาจารย์ครับคุณยอดเสถเมื่อกี้ได้ถามไหมยังไม่ได้ไถามนะครับมถามแล้วนันก็หมดแล้วนะครับครับเดี๋ยวําถามเฟซบุ๊กนะครับ มีคำถามทั้งหมดสิบเอ็ดคำถามจากทาง Facebook และย t u b e เจ้าค่ะ <Okay. S 1> คำถามแรกจากคุณเดชโพ o e t กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาจะสวดมนต์กราบพระรัตนตรยัยจิตความคิดปรามากมีคำมพลุสวาดและนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาทั้งที่กระผมมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเต็มเปีเป่ยมผมควรแก้ไขอย่างไรครับ ก็ด่ามันไปก็ด่ามันไปมึงทำไคิดอย่างนี้ที่ดักกุศลทําไมมันได้ประโยชน์อะไรเมื่อมึงคารลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ๊ปย่ายมาสท่านก็แสดงว่ามึงไม่เคารลบจริงนะก็ด่ามันไปมันจะรู้สึกตัวบ้างคำถามต่อไปจากคุณอัมพรทําไมพระอาจารย์สอนไม่ให้พูดกับตัวเองเพราะอะไรคะก็เป็นความคิดไง การฝึกสติเพื่อหยุดความคิดเวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบได้ถ้าปล่อยให้คิดปล่อยให้คูดกับตัวเองมันก็จิตก็คิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่สงบเลยแต่ไม่ได้หมายหมายความว่าจะห้ามตลอดเวลาเนี่ยเราพูดในช่วงที่เราต้องการจะเรียสติต้องการนั่งสมาธินี้ไม่ให้คุยกับตัวเราเองเพราะมันเป็นการใช้ความคิดนั่นเองเราต้องการหยุดความคิดก็เราต้องไม่คุยกับตัวเราเองแต่เวลาขั้นปัญญาที่คุยได้คุยเ่อ คุณเป็นใครคุณเป็นร่างกายก็เป่าแล้วคุณแล้วคุณเป็นจิตนี่นี่คุยได้ถามตัวเองได้อันนี้เป็นขั้นปัญญาขั้นของสมาธิขั้นจิตเต้ น, นี้ไม่ให้คุยไม่ให้พูดไม่ให้คิดคาถามต่อไปจากคุณดอฟฟินอยากกลับเรียนพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเวลาใกล้ออกจากสมาธิจะมีอกุศลจิตคิดไม่ดีเลยเจ้าคะ่ะก็รู้สึกตัวแล้วตกใจ ในการคิดไม่ดีแต่ลูกไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่สบายใจกลัวบาปเจ้าค่ะ อ, อ๋อพิจารณาว่าเป็นตายมากไปนในนี้จังไม่เที่ยังเกิดแล้วก็ดับอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ก็ก็อย่าไปสนใจให้รับรู้แล้วก็ผ่านไปเหมือนเหมือนนมพัดมานมพัดมาแล้วมันก็พัดไปเราห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปทําตามมันคำถามต่อไปจากคุณดาชา ผมน้อมกราบในมัสการครับผมผมอยากทราบว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนมีอะไรเหนียวลังดึงศีรษะหรือกดทับในทุกครั้งไม่นั่งสมาธิก็เกิดอาการนี้ครับผมอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็ลองไปถามหมอดูถ้าเป็นนั่งขนาที่นั่งขณะที่ไม่นั่งก็แสดงว่าอาจจะเป็นปัญหาทางร่างกายไปหาไาปศึกษาปรึกษาแพทย์ดู คำถามต่อไปจากคุณภูสนิสาเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะป่วยวยหายๆเวลาปฏิบัติก็เลยทําทําหยุดหยุดควรแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะก็พยายามรักษาสุขภาพให้ดีถ้าไม่ได้ก็ทำเท่าที่เราทําได้ไปอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันคําถามต่อไปจากคุณอัญญมณีถ้าวิเวทข้ามกลางผู้คน ดีไหมคะอันน้นก็ไม่วิเวกอ่ะถ้าวิเวกมันต้องอยู่คนเดียวคําถามต่อไปจากคุณสุภาหนูอยากกราบเรียนถามว่าเราไม่เข้ากลุ่มไลน์เฉพาะกลุ่มเนื่องจากเราไม่ชอบบทสนทนาที่มักไม่เกี่ยวกับเรื่องงานอาจถูกมันไส้บ้างว่าแต่กลุ่มแต่เราอยากแสดงเจตนาลมที่ชัดเจนจริงๆว่าเราไม่เข้าร่วมลึกๆ คือแค่ขี้เกียจรับข้อมูลพร่ำเพรื่อและไม่ชอบนิสัยคนในกลุ่มบางคนเพราะลายกลางสามารถส่งงานได้อยู่แล้วถือว่ามีอัตราตัวตนไหมคะไม่ต้องรู้อะไรจะสบายใจมากกว่าเยอะค่ะคือเรื่องอัตรามันก็มีด้วยกันแต่คนะเห็นแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักเรียกว่าอันไหนมันเป็นโทษกับเราเป็นคนกับเราอันนั้นที่มันเป็นโทษกับเราเราก็อยากไปเอามัน ขาวแต่สิ่งที่เป็นคนเป็นประโยชน์กับเราถามต่อไปจากคุณสุวรรณอุเบกขาและสมาธิต่างกันไหมครับอุเบกขาเป็นผลที่เกิดจากการเข้าสมาธิสมาธิ ค, คือความนน่งสงบของจิตสักแต่ว่ารู้แล้วจิตก็จะมีอุเบกขาคือใจจะจะเป็นกลางจะไม่มีอารมณ์ว่าไม่มีละไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่ คำถามต่อไปจากคุณเดอะเซเว่นคนเราเข้าถึงธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับได้อย่างไรครับก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะเข้าถึงคำถามต่อไปจากคุณเทิดชายกราบนมัสการพระอาจารย์ขอโอกาสครับทฉไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏจะพึงปรากฏชัดแกเราได้ คือแนวทางการปฏิบัติอย่างไรครับขอพระคุณครับปฏิบัติศีลธรรมาิปัญญาเนี่คำถามสุดท้ายจากคุณสุรศักดิ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามครับช่วงเวลาที่ทำกิจวัตรประจำวันหรือทำงานสติเราอยู่กับผู้รู้ที่ลิงฝีปากผู้รู้ในกายนี้ทาให้จิตให้ใจเราทำงานได้และไม่เป็นทุกข์กับอารมณ์ความคิด และพอมีสติมีสติ ม, สตมีกําลังที่ดีก็ภาวนาพุโทโธอยู่กับผู้รู้นี้ต่ออย่างนี้ทําได้ไหมครับถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ว่าทเวลาทํางานนี่ยใช่ไหมต้องไปฟังไหบอกว่าช่วงเวลาที่ทํากิจวัตรประจําวันหรือทํางานสติของเราอยู่กับผู้รู้ค่ะอต้องอยู่กับงานอย่าไปอยู่กับผู้รู้เดี๋ยวไม่รู้ทําอะไร ลองมันดูว่าเรากําลังทําอะไรให้มีสติอยู่ของงานอย่าไปอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ได้เฉพาะเวลาที่เรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาอันนี้เราค่ออยู่กับผู้รู้ได้แต่เวลาทํางานทําอะไรต่างๆต้องอยู่กับงานที่เราทําไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ถือว่าเรากําลังทําอะไรวันหรืยังคาถามห ม, หมดแล้วจ้าค่ะโอเค มีใครมีคำถามตกค้างอยากจะถามอีกไหมท่านนี้มีคุณกรวารายกมือไว้นะครับอ <Okay. S 2> ่าใช่แอันวราอันมิวได้เลยครับแลมัสการเจ้าค่ะท่านอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยมีมีปัญหานิดนึงในที่ทำงานเพราะว่าเอ่อเพิงมาเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้มีการโรงพยาบาลแล้ว มีความรู้สึกว่ามันกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานเยอะมากมีความรู้สึกว่าโอกาสเกิดเ อ, อ่อที่จะก่อเก่อเวรเก่อกรรมกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยมีความคิดว่าอยากจะลาออกจากงานเจ้าค่ะท่านอาจารย์คือบางทเวลาเราไปทํางานที่ไหนที่ใหม่นี้กอนที่เราจะทําอะไรก็จะศึกษาให้รอบครอบก่อ คืออยากเพงอยากเพไปเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่เขาทำมันอยู่ mm. เราอยู่ไปก่อนแล้วก็เรียนรู้ไปว่าเขาทำอะไรแล้วสาเหตุเป็นเพราะอะไรมีผลดีผลเสียอย่างไรอยากไปคิดว่าเรามีโครงการมีวาดภาพว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางทีเราไปทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำและไม่ชอบทามันก็จะเกิดเป็นภาวะต่อต้านเราได้ ในเบื้อต้นควรจะไปศึกษาแล้วก็ไปสร้างมิตรภาพก่อนให้คนที่เขาเราอยู่กับเขานะั้นเขารักเราชอบเราแล้วทีนี้เราก็ค่อยมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าเออเราอยากจะพัฒนาลงที่เราทํางานให้มันดีขึ้นทําอย่างนี้ดีไหมอาไรทำนอานี้อยา่าไปใช้ระบบะเผด็จการเรามาคนเดียวเราสู้เขาไม่ได้หรอกแม่ก็จะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งน้อยกว่าเราแต่ถ้าเขาไม่ทําตามเราเราก็ทําอะไรไม่ได้ เั้นใช้วิธีอ่ อ, อนนุ่มดีกว่าอย่าไปใช้ป็ิการใช้ใช้ประคุณดีกว่าใช้ประเดชเต้องให้สร้างความเมตตาสร้างความรักความชอบพอให้เกิดขึ้นก่อนมันเขารักเราชอบเราทีนี้เราพูดคุยอะไรกับเขามันง่ายใช่ค่ะ ก็ลเลยตอนนี้อยากลาออกจากงานแล้วเจ้าค่ะก็ไม่ต้องลาปรับกัวเราเท่านั้นปรับว่าความอยากของเราลงตอนนี้อยากไปอยากเปลี่ยนแปลงอะไ้งส้นพยายามประกประคองการทํางานของระบบของเขาให้เขาอยู่แบบไม่มีปัญหาไปก่อนได้เจ้าค่ะอ่แล้วก็ค่อยๆทําความรู้จักกันให้เขารู้จักเราให้เขารู้ว่าเรามีความปรารถนาดีเราไม่มีความคิดที่จะมาทําร้ายเขาหรืออะไรต่างด้วยการเปลี่ยนแปลงอะไรต่าง เจ้าค่ะเจ้าค่ะบาคนก็มีความลับความฉงนในสิ่งที่เขาเคยเคยทําอยู่เคยเป็นอยู่อยู่ดีๆจะมาบังคับให้เขาเปลี่ยนนี่ก็รู้สึกอึดใจถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปเปลี่ยนก็มีมีมีคําพูดว่าอย่าไปล้มล้างกฎระเบียบที่ดีอยู่แล้วอย่าไปเปลีป่ยนอย่าไปสร้างกฎหมายขึ้นมาถ้าไม่จําเป็นพันย้นะเข้าใจเจ้าค่ะ ก็เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นตัวของเราคนเดียวเราเราเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆไปหมดเราต้องหาหาพันธมิตรหรือหาหาเสียงว่าเขาเห็นด้วยกับเราหรือไม่ถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่ไม่เห็นด้วยก็จบแต่ขอให้เราคิดว่าการทํา ง, งานร่วมกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนี่เ ป, นเป็นเป้าหมายหลักส่วนการพัฒนาพวกอ่าอ่า การดากรพัฒนาสถาบันนี้ก็เป็นปัญหาเ ป, เป็นเป้ารองก็ก็้วแต่เปแรกก็คือให้อยู่ร่วมกันได้ทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขเจ้าค่ ะ, <ล>ะคือพอพอเรามีความสุขเราคุยกั น, นเรื่องๆก็มาปรึกษาว่าเราควรจะพัฒนาองค์กรของเราให้ดีขึ้นด้วยการทําอย่างนั้นทำนี้จะดีไหมอะไรต่างๆนี้มันก็จ ะ, จะไมมีปัญหาเจ้าค่ี่คือหลักหลักเกณฑ์ของการบริหาร เจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออคิดทางออกตื้นๆก็คือเมื่อ <นำ S 2> ปัญหาเยอะเราก็ลา <ใน S 2> ออกดีดกว่านนไม่เกิดประโยชน์อะไรเพรเรายังสามารถทําประโยชน์ได้อย่างนั้นเราก็ประคับประคองระบบของเขาให้เดินหน้าต่อไปได้แล้วถ้ามีความเสียหายแล้วเราแก้ไขไปก่อนแตอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนระบบเจ้าค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะออ บางทีเรามาใจที่หนึ่งที่มีระบบการดําเนินกิจการที่ที่ดีกว่าแต่ที่นี่เขาไม่มีระบบนั้นเรามาเปลี่ยนก้อนนี้บางทีเขาไม่มีศักยภาพที่จะทําตามได้นะอเจ้าขาท่านอาจารย์โอเคนะเจ้าขากลับขอพอบคุณท่านอาจารย์เจ้าค่าอย่เพิ่งกลับนะทําต่อไปเถอะตอนนี้คนเขาตกงานกันเรามีเงินทําอย่างไปแล้วออกนะเจ้าขาท่านอาจารย์ ยาวยาวแพ้ชนะกันยาวแพ้เอาชนะกันเะคโอเคไม่ีใครอยากจะถามอะไรีกมหมดนล้วเหรอหนนแล้็ใกล้เวลาสมดเลยพอดีมีเฟซบุ๊กมามาขรับเฟซบุ๊วันนี้ขาแล้วมันเกิดบะสามชั่วโมงแลโอเคครับมีมีกี่ข้อนะเนียนะจะถามว่า Facebook มีกี่ข้อ มีหนึ่งข้อเจ้าค่ะ อ, น, อ น, น้จากคุณม้วนเจ้าค่ะเป็นคนคิดมากคิดลบกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีมีธรรมะข้อไหนช่วยได้ไหมเจ้าค่ะก็อย่าไปสนใจความคิดของคนอื่นคนอื่นเขาจะเห็นว่าเราเป็นยังไงนี่ไม่ไม่สําคัญเท่า ก, กับตัวเราเห็นตัวเราเองเราต้องเพ่งโทษตัวเราเองแล้วแก้ไขโทษที่เราไม่อยู่โดยคมอื่นเขาจะ ชอบเราหรไม่ชอบเรานี่อย่าไปสมใจขอให้เราทําความดีในตัวเราให้ให้ให้ให้ได้ก็แล้วกันเอาชนะความชั่วในตัวเราสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็พยายามเริ่มมันอย่าไปทำมันทําแต่ในสิ่งที่ดีส่วนคนอื่นเขาจะเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี่ไม่เป็นสิ่งที่เราไปบังคับเขาไม่ได้ไม่รู้ตอบถูกก็ือเปล่านะอันนี้ก็ เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาเสียงที่ท่านได้ยินได้ทำในวันนี้ไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิงขึ้นไปเธอ